เลริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนทนาทถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานเซิงภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้เราก็จะไปตามอันดับ เริ่มแรกก็จะให้หเด็กๆที่จะต้องรีบเข้านอนอเข้ามาก่อนอเด็กชายนักคุณจากโตเปียวเปิดหน่อยได้ไหมกลับนามาส ก, การพระอาจารย์ท้คอคาเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีค่ะเป็นน่าจะลองโควิดค่ะพระอาจารย์เกือบเดือนแล้วกันเนี่ยยังไม่หายกันเลยค่ะเป็นๆๆมามา เป็นยังไงยังเป็นไข้อยู่เะไม ไ, ไม่มีไข้นะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นหวัดลงคอค่ะอืเสียงหายบ้างไอมีเสมหะมีน้ำมูกเป็นอยู่อย่างเนี้ยค่ะเป็นเดือนละค่ะอืมสลับกันไม่หายสักทีคาดว่าน่าจะโควิดค่ะเพราะอาจารย์เหมือนไออาการเหมือนโควิดที่ผ่านๆมาสามสี่ครั้งที่แล้วเลยค่ะอืใช่ ว, ว่าเป็นธรรมดาแล้วกันต้องหายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ใ่อ ค, ความเจ็บไข้ในป่วยไปไม่ได้ค่ะก็ปล่อย ป, ปอยมันเป็นไปค่ะพระจ้าหากหายไม่หายก็อยู่กับมันไปค่ะซาอทุกับน้อมรับค่ะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะญี่ปุ่นแฉะไดทุกคนอากาศแปรปรวนที่นี่ก็ร้อนตลอดเวลาฝนไม่มีเลยอค่ะไม่ไม่ส่งผลมาทางนี้บ้าง ชมคามว่ามแลกกันว่างวันนี้แหลกว่างวันนี้ทั้งวันเลยค่ะว่าอาจารย์ออกไปติดต่อราชการกับเด็กสองคนเปียกกันแล้วคือมีอะไรคะไหนวันนี้หนูจะถามไม่ใช่เหรอเอามานั่งตรงนี้สิค่ะไหนจะถามพระอาจารย์ว่าอะไรคะเพราะเขาซ้อมมาทั้งวันเลยค่ะวันนี้อนายถามอะไรเพราะทำไมอยาอะไรไปจะส่ง พูดดีๆสิคะอ่ะพูดีดีๆสิคะว่าอะไรนะคะถ้าทํามารเราจะทำอะไรไว้แล้วก็จะได้เราแบบนั้นครับอ่าทำอะไรก็ต้องได้แล้วแบบนั้นทาดีก็ได้ของดีกลับมาทําไม่ดีก็ได้ของไม่ดีกลับมาอยากจะได้ของดีก็ทําดีอ่าถ้าเราให้ขนมเพื่อนเพื่อนเขาจะให้ขนมเรามาใช่ไหมอือ ถ้าเราไปว่าเพื่อนเพื่อนเขาจะเขาจะให้ขนมเราหรือเปล่าแล้วก็จะว่าเรากลับใช่ไหมอืออือไปทําอะไรกับเราอย่างไรเราก็ทํากับเขาไปอย่างนั้นใช่ไหมเขาให้ขนมเราเราก็แบ่งขนมให้เขาบ้างใช่ไหมเขาด่าเราเราก็เราด่าเขาบ้างใช่ไหมอือแล้วคุณตีเ จ, จา้จจาจ๋าเจ้าจ๋าทําอะไระคุณ เวลนาะคุณตีเจ้าสาวเจ้สาวทำอนะไรนคุณอย่าปอนเลยอธิถามกับยัง<บ>มีอะไรอีอไหมต้มงทำแต่ละวันแต่ละวันทาไงนะแต่ละวันบอกอย่างหนึง่งยังไงนะคะเหมือนกัใช่มะ้จะจาจ<ม>อันหนึ่งบอกนูบอกอันหนึ่งเจ้าจะบอกอันนึงหนบอกอันนึงอ๋อให้เจ้าจถามพระจัน์หรอ<ม>อ๋อให้ถามให้ใช่ ม, มโอเค พี่ถามไม่ตด้ไหมพี่หนูถามมันเหร อ, อค่ะทําไมพระเขาถามว่าทําไมพระอาจารย์ตอบคําถามได้ทุกคําถามเลยเจ้าคะก็ะตอบไปอย่างนั้นอ่ะถามมาก็ตอบไปถ้าเฉยไหมก็ทำไ ม, มถามว่าก็ถ า, ถามมาได้แล้วก็ต้องตอบได้ใช่ไหมใช่ปะ่ะโอ้บอกว่าทําไมพระอาจารย์ถามถามมาอะไรพระอาจารย์ตอบ ตอบได้หมดเลยอ่ะได้ถามถามได้แต่ถูกแล้วไม่ถูกไม่ถูกไม่รู้ล่ะถูกไหมเวลาตอบไปแล้วฟังถูกไหมถูกไหมคะอ๋อถูกค่ะถูกแล้ว <c oughs> ก็แสดงว่า อ, อ, อาจาะเ์ดาวเสียงน้องบคุอาจารย์วันวันนี้ เขาเขาซ้อมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องถามพระอาจารย์ให้ได้เลยง่วงมากแต่ต้องมาถามค่ะอันนี้กี่ขวบแล้วเนี่ยสี่ขวบค่ะพระอาจารย์ยังยังเรียนอนุบาลอยู่นะเตรียมอนุบาลค่ะเตรียมอนุบาลอ๋อค่ะกลับมาก็บอกว่าหนูรู้สึกว่าที่โรงเรียนเรียนหนักมากเลยหนูหนูเครียดมากเลเธอเครียดหรวเธอสนได้ไหมเน่ได้ฝึก สึกฝนิสัสยฝึกวินยัยฝึกอะไรต่างๆค่ะเดี๋ยวไปไทยจะได้พาไปวัดบ่อยๆค่ะพระอาจารย์อตอนนี้เ อ, เอกสารทุกอย่างจบหมดแล้วค่ะเหลือแต่ เ, ตเ<ะ>คลียร์เรื่องให้จบในส่วนของเอกสารส่วนตัวค่ะข้อกำหนดการจะย้ยายม า, มาเมื่อไหร่ นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นปลายเดือนกันยกะดาห์ ค, ค่ะอาจารย์ก็ไม่นานนะแป๊บเดียวห่างเหลือแค่รอพี่ดีใจไม่ได้กลับมาอยู่บ้านหรือว่าไม่ดีใจเอ่อมันเฉยเฉยมากพระอาจารย์ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะก็ <laughs> ะเลยยังยังไงก็ได้ ก, ก็ก็ตื่นเต้นดีค่ะไม่ได้กลับไปอยู่ เป็นสิปีแล้วก็เปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนชีวิตไปอีกแบบหนึ่งก็น่าจะสนุกดีไปอีกแบบค่ะเล้ยชอบอยู่ที่ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นตรงที่ไม่มีใครยุ่งกับเราค่ะ <laughs> จะไปไหนเมื่อไหร่จะไปก็ต้องไปเจอค น, นที่รู้จักนี้เลยค่ะจะไปไหนตอนไหนก็เก็บกระเป๋ากันไปสองคนมันปลอดภัทยทุกอย่างอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ติดวัตถุอะค่ะเขาไม่ค่อยดูวัตถุกันอนี่ค่ะก็ดีเอ่อันต้องปรับตัวแล้วก็ับมาอยู่เมืองไทยก็นแล้ปรับตัวต้องเข้าใจว่าคนไม่เหมือนกันนะแย้เหมือกันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้มีมีมีสวิงนิดนึงค่ะ พอหลุดจากพุธโธไปก็เริ่มวิตกจริตแบบคิดถูกหรือคิดผิดหรือคิดความคิดมันจะรีบเข้ามาเลยค่ะเหมือนจะแบบรอจังหวะเธออย่าเธอย่เผล่นะเธออย่าเผลอนะพอเผลอปุ๊บมันมีเรื่องให้คิดตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ต้องต้องเกาะพุธโทให้มั่นเลยค่ะไม่งั้นเธอแป๊บเดียวมันไปเลยจริงจริงเลยนะพอฟุ้งไปนะพอฟุ้งไปพอฟุ้งแล้วมันมัน มันกลัวไปหมดทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์แบบโอมันจะไหวไหมมันจะนุ่นจะนี่ไห ม, หมค่ะเร็วมากพยายามดึงให้จิตอยู่ในปัจจุบันนะะเวลาเราจะค่อยค่อยว่ากันไปค่ะพระอาจารย์จะน้อมนับไปค่ะปฏิบัติค่ะกระดน่นวัชการเจ้าค่ะคไปที่จะแนกจากที่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ มีอะไรว่ามาเลส่งกันว่านครับมาว่ามาลองมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้วงนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่มงพนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรักใครากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรมกรมเป็นผู้ให้ผลมีกรมกรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทารํากรรมัใดไว้วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นน้ำสิบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนเถิดเป็นยังไงกลัวความแก่ไหยกลัวความเจ็บไหม ไม่กลัวคไม่กลัวน ะ, ะเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในร่างกายใช่ไหมใช่คร่อร่างกายมีอะไรบ้างมีผมขนเล็ดฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูก<ม>เยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับถังพืช ไตปอดใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยกเลซสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมะเหล่น้ำตาน้ำมันข้น น้ำเนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีเกี่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจมา้ามเกี่ยในกระดูกกระดูกเอนเนื้อนหนังฟันเละใน เราเราอยู่ที่ไหนจุ๋ยโลกหนึ่งครับเนีโอเคเราเราเป็ผู้รู้ผู้คิดใช่ไหมใช่ครับโอเคนะ่เราไม่ต้องไปตกใจเสจเส้นกับร่างกายนะเพราะเราไม่ได้เป็นเขาครับเราเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราก็ดูแลเขาไปอ่าเขาจะเป็นอะไรไปช่วยเขาไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวนะ ครับ อ, อืมเพราะมันจะต้องเกิดร่างกายของเรามันเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนออโอเคมีคําถามอะไรไหมไม่มีครับแม่ก็ไม่มีนะไม่มีครับปฏิบัติอยู่ค่ะอาจารย์ครับโอเคแล้วก็ไปที่กราบขอ บ, บคุณอาจารย์ครับตะวันกับอคุณแม่อันนี้กลับมาแล้วลคุณแม่ กลับนรสกรรมพระชรครับกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะยิงรู้ไปไม่รู้สึกเสียดายไม่ไม่เสีย ก, กังวล้ากเลยคือตอนแรกอ่ะคิดไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ตอนอยู่วัดน่ะมันก็มีคิดถึงบ้านบ้างค่ะพระาอาจารย์หลวงปู่ท่านก็แซวว่าเอาน้าไปกินซักจะได้เลิกคิดถึงบ้านโยมก็ขำทีนี้พอกลับมาบ้านน่ะก็แปลกว่ามันคิดถึงวัดแทนค่ะพระาอาจารย์อ่มันต้องแชรคิดถึงที่ที่มันไม่ไม่ได้อยู่ ที่ที่มันมที่ที่มันมีอยู่มันก็มันมันไม่คิดถึงแล้วเพราะมันอยู่ตรงนั้นที่แล้วอใช่ไหมปีเลดความอยากมันอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีแล้วมันก็เฉยเฉยงั้นแปลว่าตอนอยู่บ้านที่คิดถึงวัดเนี่ยมันคิดถึงความสงบอ่ะคะ่ะพระอาจารย์มันไม่มีเรื่องมากวนใจนะคะพระอาจารย์ใช่มันก็อืม ก็ดีถ้าคิดถึงวัด้านต่อไปก็อาจจะกลับไปอยู่วัดต่อก็ได้ก็ชอบอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าครั้งนี้โยมไปครั้งแรกเนี่ยตอนที่ลงจากกรุงเทพสวรรคภูมิใช่ไหมคะโยมก็บินตรงไปที่อุดรเลยค่ะพระอาจารย์บินไปไปอยู่มาเจ็ดคืนค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอดีท่านลงมาโปรดยอดโยมที่กรุงเทพมาอา่าม า, ม า, ม, ามารักษาตัวที่กรุงเทพแล้วก็โปรดยอดโยมที่กรุงเทพโยมก็เลยบินตามกลับมากรุงเทพแล้วก็ ไปพักบ้านแม่แล้วก็จากนั้นโยมก็กลับไปอยู่ที่วัดอีกประมาณสามคืนค่ะพระอาจารย์ก็สิบสิบคืนสิบวันค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> เห็นเห็นเห็นนายทังไปไปไปอยู่ครัทงที่สองใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมีงานเอยกหู่พักกันนะคะพระอาจารย์สร้างพระใหญ่นะคะแล้วที่ดีว่าหลวงปู่ท่านชวนนะคะพระอาจารย์จริงๆแล้วยมไม่ค่อยอยากไปเพราะว่ามันเป็นมันคนมันเยอะโยมก็ว่า ไ ม, ไม่น่าจ ะ, จะสงบน่าจะวุ่นวายแต่ทีนี้ด้วยความที่ท่านชวนโยมก็เลยไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองไปดูแต่สุดท้ายเนี่ยไปแล้วกลับชอบขาพระอาจารย์ปิติมันเยอะสงบมันเยอะอยู่ขาพระอาจารย์แสดงว่าตอนแรกเนี่ยมันกลัวไปเองขาพระอาจารย์แล้วพ อ, อไปจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับชอบขาพระอาจารย์ค่ะก็ดีไมแล้วได้ไประโยชน์ก็ไม่เสียเที่ยวขาพระอาจารย์ มีอะไรจะถามแม่วันนี้คือพระอาจารย์ยมมีเรื่องเล่ายมเล่าได้ไหมคะพระอาจารย์มันก็เยอะอยู่เหมือนกันก็สรุปสรุปละกันพระค่ะสรค่ะพระอาจารย์าาาก็คือโยมไปก็ไปเหมือนกับว่าไปไปอยู่บัตรเนี่ยมันก็ได้ไปคือไปครั้งหนึ่งมันก็มีไปเห็นเลขเหลี่ยมของกิเลสครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันก็มีแพ้มีชนะบ้างนะคะพระอาจารย์แล้วก็อย่างอย่างครั้งเนี้ยไปอ่ะยมตอนแรกกับยมไม่เคยจะ พิจารณาเรื่องเรื่องอาหารนะคะพระอาจารย์พอไปครั้งเนี้ยเห็นกิเลสตัวเองเวลาที่หยิบอาหารมันจะเลือกแต่ของที่ชอบอย่างเงี้ยพะอาจารย์ขนาดตั้งสัจจาไว้ว่าเดี๋ยวอาหารมาจานที่สามที่ห้าที่เจ็ดจะเป็นอะไรมาโยมจะหยิบแต่สุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยกิเลสมันก็หลอกว่าเดี๋ยวท้องเสียนะตัวนี้ยไม่เคยกินก็เลยแบบเหมือนตามกิเลสไปนะคะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าโยมจุดอ่อนของโยมตรงเนี้ยต้องมาพัฒนามากขึ้นนะคะพระอาจารย์ค่ะ ท่านพิจารณาว่าอาหารมันก็มันก็แค่เป็นท่านเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายอะไรก็ได้อย่าไปกินตามความชอบพรเวลาไม่ได้กินของชอบแล้วมันจะไม่มีความสุขควรจะทุกขค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรนะท่านผ่อนแะลเรื่องเวทนานะคะพระอาจารย์ตอนโยมภาวนาอยู่บ้านเนี่ยโยมจะนั่ง บนโซฟาบนฟูกอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์เวลา น, นั่งมันก็นั่งได้นานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอะค่ะแต่พอไปภาวนาที่วัดเนี่ยมันต้องนั่งแบบนั่งเป็นที่รองนิ่มๆแต่ว่ามันบางๆอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาได้เห็นเวทนาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็คือว่าต้องต้องหาอุบายแล้วก็ผ่านไปให้ได้ค่ะพระอาจารย์ใช่นั่งเจอเวทนามันก็เดือดอย่างมันมันเป็นเหมือนเป็นข้อสอบที่มัช้าก็เร็วเราก็ต้องทอํางินถ้าเราทํามันเสียใต้บัต น, นี้ได้ก็ดี เราจะได้ไม่มีปัญหากับความเจ็บปวดของร่างกายต่อไปอะไรยังไม่ผ่านข้อนี้เราก็ยังจะต้องมีปัญหาทุกครั้งที่ร่างกายเจ็บไายได้ปวยใจก็จะเครียดใจก็จะทุกแต่ถ้าเราฝึกผ่านเวทนาไปได้วางวางใจเฉยได้มันก็สบายเจ็บไายได้ปวดก็ไม่ทรมาน ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะตอนแรกโยมาพาดข้อเนี้ยมากเลยค่ะเพราะว่าอตอนแรกคิดไปว่าเอ๊ะเราภาวนาเอาใจสงบไม่ได้ไปภาวนาที่ร่างกายก็เลยไปแบบไปเหมือนกับว่าไปให้ร่างกายมันมันอยู่ในสภาพที่มันสบายนั่งนิ่มๆอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์พอไปเจอของจริงปุ๊บอุ้ยไม่ได้แล้วค่ะพระอาจารย์โดนกินเลสออกไปกินมาหลายพีดเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะอือ่อวนยังไงแล้วก็ต้องการทาใจให้สงบในการทําใจ ใ, <ช>ให้สงบก็ไม่ไม่มีความจำเป็นจะต้องนั่งเมาะนั่งอะไรอือ ตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเราไม่เคยมีเบาะนั่งเลยเราก็นั่งกับพื้ น, นมันสบายไปไหนก็นั่งได้ทุกแห่งทุกคนเห็นถ้า<อ>มีเบาะมันต้องขนเบาไปด้วยเวลาไปไหนสำหรับเลยเป็นคนแบบที่ไม่ค่อยอยากจะมีอะไรพรลุงพลังก็เอามันแบบนอนกับดินกินกับทรายอย่างเงี้ยแล้วมันสบายเจ็บก็รู้ยมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปก็อหอยู่กับความเจ็บไปค่ะพระอาจารย์ ก็ตอนแรกภาวนานึกว่าเอ๊ะปกติอยู่บ้านก็ทําได้แต่พอไปนั่งอีกแบบแข็งแข็งแบบนี้มันผ่านไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์รู้สึกเสียพร้อมเลยต้องไปแก้มือค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยยมก็เลยไปนั่งที่ตรงเมรุว่ะค่ะพระอาจารย์เดินเข้าป่าไปไปนั่งตรงเมรุแล้วก็เป็นไปไปพิจารณาซากคี่เท่าอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้จะแก้มือให้ได้เลยว่าเมื่อคืนมันนั่งแล้วชั่วโมงเดียวแต่มันรู้สึกเหมือนสองชั่วโมงพลิกไปพลิกมาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้อง เหมือนมาคับตัวเองนะคะว่าต้องต้องหาอุบายแล้วให้มันผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะคะพระอาจารย์ค่ะวิธีหนึ่งก็คือบริกรรมว่าบางทีดูลมนี่มันจะสะติมีกำลังไม่พอเาบริกรรมนี่มันจะช่วยให้เรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความเจ็บได้แต่ต้องขยันบริกรรมอยากคิดเก็บ พุโทพโทุโทโุทโุอย่าหยุดนะค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างถ้าเปรียบเทียบตัวเองกับซากศพอะค่ะาพระอาจารย์ว่ามันเขาก็มีเหมือนเราแบบเนี้ยแต่ทําไมพขาไม่เห็นร้องเลยแต่ว่าตัวเราทำไมมันร้องอย่างนี้ปัญหามันเกิดที่ใจค่ะพระอาจารย์ใช่เพียงแต่ว่าใจเรามันจะมีกําลังที่จะเปรียบเทียบว่าเราล้ำใจเราเป็นเหมือนศพหรือไม่เราสามารถที่จะปล่อยวางได้หรือไม่ บางทีมันเปรียบ เ, เทียมแล้วมันรู้แล้วว่าเป็นเหมือนทราบสุดแต่มันก็ยังสู้ความอยากที่จะขยับมันไม่ได้จริงอย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยค่ะาบางทีก็แบบแพ้ตรงที่ว่าอยากไปดูเวลาปุ๊บพอไปดูปุ๊บอ้าวไปแล้วขาก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแพ้มีชนะค่ะพระอาจารย์โยงก็พยายามหาแบบหาอาวุธมาว่าความปวดเท่าเนี้ยถ้ามันปวดไม่มากมันมันก็ได้พอได้อยู่นะคะพระอาจารย์แต่ว่าบางทีปวดแบบอออืื ก็ <K ill an> หาอะไร <S <S ทำเลยด<ล>ินเลยห<า>ัว<ร>ใจมนต์มนตกรรมน<ช>ุศน์ ส, สวนมนต์ ส, สวนอะไรไปอย่าอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งไปเฝ้าดูความเจ็บให้มันทําให้มันมีอะไรให้มันทําให้มันเพลินเหมือนตอนที่เรานั่งเล่นไพ่เนี้ยปวดทีเรายังทนได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่สนใจอาการปวดว่ามันอยู่กับมันอยู่กับการเล่นอยู่ เหมือนจิตก็เหมือนกันเวลามันเจ็บปวดมันก็เหมือนกับปวดฉีแต่ถ้าเรามีอะไรให้มันทําให้มันเพลิดเพลินมันก็จะไม่มันก็อยู่กับอาการปวดนั้นได้ให้เราช่วดมันไปเนื้อบริกรรมไปแล้วแต่เราสวดสั้นช่วยยาวก็ได้ให้มันมีอะไรทําไปถ้ามันการทานที่สองไปก็ได้ให้มันมีอะไรทํำพอมันทําแล้วเดี๋ยวมันลืมเรื่องความเจ็บไปแล้วใจก็จะอยู่กับมันได้ หรืบางทีใจก็สงบไปด้วยเราไม่ต้องทําอะไรอยู่ต่างฝ่ายตางอยู่กันไปอพราะใจ<ช>เราไม่มไปมีความอยากให้มันหายไปแล้วมันจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไปได้ไม่เดือดร้อนความเดือดร้อนเกิดจากความอยากให้เรามันหายไปอืใช่ค่ะพระอาจารย์เราก็สังเกตวา่าถ้าสมมติว่าฟังทำมาไปด้วยเนี่ย รู้สึกว่า ม, มันจะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ไม่ไม่ดิน้นมันมั น, ม, นมีอะไรเพลินไงมันมีอะไรให้มันผูกใจไว้แม้เป็นกังวลแม่ไปคิดถึงเรื่องความเจ็บคนหนึ่งชอบมานั่งฟังเทศที่หน้ากุฏิก็ฟังแล้วนั่งได้ชั่วโมงใช่แต่ถ้าให้นั่งตามลำพั ง, งชั่วโมงนั่งไม่ได้อืมแต่ถึงจุด จ, จุดหนึ่งต้องเราต้องต้องต้องข้ามต้องต้องโดยต้องไม่ก่ะอะไรเลยใช่ไหมคะพระอาจาถึงจุดจุดหนึ่งล้วต้องใช้สติใช้ใช้สติใช้ปัญญา ไม่ไม่ไม่ใช้อะไรภายนอกไม่ใช้การขยับนั่งกายไม่ใช้อะไรค่ะพระอาจารย์มี่หน้าอย่างนี้คืออที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้อกายเวทนาจิตธรรมก็คือต้องเริ่มจากปล่อยวางกายให้ได้ก่อนเวทนาแล้วไปจิตอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าอินเสียยังไม่แข็กล้าเราก็ต้องไล่ไปถ้าจะข้ามขั้นไปกายแล้วไปจิตเลยมันเว อินทรีย์เรามันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องข้ามท่านตรงสติปัญญาเรายังมีกําลังไม่มากพอใช่คับโอเคไม่ีอะไรไหมก็มีเอาไว้สัปดาห์หน้าละกันค่ะพระาอาจารย์ค่อยๆถามไปยืดหน่อยๆตะวันนี้อะไรไหมตะวันวันนี้แป้นหนึ่งคำถามครับอืาเออชาติเดชามีกี่แหล่งไหมมีช า, ชาติเดชันก็เป็นจิตเมือนเราเนี่ย เหตุแต่ว่าไป ท, าทําบาปใยแทนที่จะได้ร่างกายของมนุษย์ก็เลยไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนสัตว์เดรัจฉานชอบทําบาปเราก็ไม่รู้ว่าทาบาปแล้วมีโทษเขาคิดว่าทําบาปเพื่อให้เขาอยู่สบายเวลาหิวเขาก็ทําบาพเพื่อรับความหิวเวลาเขาม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์เขาก็ไปทําบาพเพื่อให้เขาได้มีเพศสัมพันธ์ เขาก็ทําตามใจอยากของเขาไอ้เขาไม่รู้ว่าการทําบาปนี้จะทําทให้เขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่นี้พวกเรารู้แล้วถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อย่าไปทบบําบาปเวลาเราหิวข้าวอย่าไปขโมยข้าว ข, าวของพวกไหนมากินอย่างเงี้ยอย่าไปยิงนกตกปลามาทําเป็นอาหารย่ามอดดีกว่ า, แ, าแล้วเห็น้อยเราก็เวลาตายไปเราก็จะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เรายังมีโอกาสเป็นสัตว์เดราาัจฉานได้นะถ้าเรายังทำบาปอยู่ถ้าเราหิวข้าวเราก็ไปขโมยเงินของใครของคน อ, อื่นมาเพื่อไปซื้อข้าวกินอย่างนี้มอยฉาทำบาเปเขอาใจไหมเข้ใาใจครับจ่าเดราจฉานเมื่อก่อนก่อนหน้านะั้นเขากเคยเป็นมนุษย์เหมือนเรา แ้วพอเขาไปทําบาปเขาก็เลยต้องไปเกิดเป็นสันเดียชานอย่างเรานี่ถ้าเราทําบาปต่อไปแล้วก็ต้องไปเป็นสันเดียชานได้เหมือนกันนะงั้อย่าทำบาปอย่าทําบาเพื่อเลี้ยงชีพอย่าทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาชีพใดที่ต้องทำให้พู้่นเสียชีวิตอย่าไปทํา ถ้าเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสามเดือนชานอธิบายไหมใช่ค่ะเวลาแม่ไม่อยู่เหงาไหมทุกข์ใจไหมเศร้าใจไหมใช่ค่ะรู้สึกยังไงเวลาเจอการพัดท่าจากกันแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างไม่ดีไม่ดี อ, <ม>อ่ะเราไม่ได้ฟังที่จำแม่จัจจที่เขาท่องว่าเราต้องมีการพัดท่าจากกันเป็นธรรมดา ลงคนไปไม่ได้เรแล้วก็อเอามาเป็นบทเรียนสอนใจนว่าเรายังอาจจะต้องมีการพัดผากันต่อไปอีกข้างหน้านะถ้าเราย่ารู้สึกไม่ไม่เดือดน้อนเราก็ต้องมายามสอนใจว่าต้องยอมรับความจริงนี้อย่าไปอยากให้ว่าจะต้องอยู่กันด้วยกันไปตลอดเพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากกัน ทำใจได้ไหมสอนใจไปให้ให้ให้ร่ำได้ไหมได้ค่ะอ่าแล้วเวลาจากกันจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจโอเคนะมีอะไรไห้ไม่มีค่ะพระอาจาย์อย่าเพิ่งตัดหางปล่อยวางลูกศิษย์นะคะให้ลูกศิษย์ได้มาพรุนอิพานกันเยอะก่อนเจ้าค่ะว่าฐาภาษาอยู่นเป็นยังไงก็ห้ามไม่ได้หรอกเวลาอะไรจะเกิดมันก็เกิดอ่า ก็ถ้าพระอาจารย์อยู่ทําประโยชน์ให้ได้เยอะมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ก็อาราธนาพระอาจารย์อยู่อีกก็ยินดีรับใช้ทุกคนถ้ายังอยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องบายบายตัวใครตัวมัน <c oughs> ตัวใครตัวของนะครับาจารวันใดวันหนึ่งก็ต้องแยกกันไปนะต้องยอมรับความจริงกันนี้จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจงานเี้ยงย่อ ม, มีวันสินส้นสมดตอนนี้เราก็มาร่วมงานเลี้ยงกันอยู่งานเลี้ยงธรรมะ แต่งานเลี้ยงธรรมะก็ต้องมีวันสิ้นสุดนึง่งแตก็มีคนอื่นมามมาตั้งวงใหม่มีครูอาจารย์รูปใหม่มาทําหน้าที่ใหม่เนี่ยตั้งครูบาอาจารย์นั่นแหละหลวงปู่มั่นมาท่านจากไปก็มีคนอื่นมาแทนท่านคนที่มาแทนท่านพอจากไปก็มีคนมาแทนท่านอยู่เรื่อยๆคอยเราขอยเรารักษาวความความานนรศรัทธาในพระพุทธศาสนาไว้กันแล้วกันเราก็จะ ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ขาดทุนอ่ะเสียลูกนี้ไปเสียอาจารย์ลูกนี้ไปเสียผู้นําองค์นี้ไปเดี๋ยวก็มีผู้อื่นมาแทนที่อยู่ดีคือตอนนี้ก็ถ้าจะแทนกัดไว้ก็ไปไปหาอาจารย์หลารๆลูกไว้ก็ดีรูปนี้ไป ไ, ไปก็ยังได้มีลูกไปอย่าเทอย่เทเททุกอย่างไปลงไปเลย ในกระทะเดียวหม้อเดียวเดี๋ยวเกิดอันนั้นมันรั่วมันบดไปมันไม่มีที่ไปนะ <c oughs> ต, ต้องยอมรับว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่เป็นเป็นกฎที่ไม่มีใครฝ่าฝืนได้โอเคนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์หมอมอพิเศษตาเชิญหมอ <c oughs> มี็นไงความที่จะ พ, ะพักผ่าจากกันได้ยังครับเดี๋ยวท่าวัฒน์การพระอาจารย์ครับก็กําลังทําการบ้านทุกวันครับอาจารย์เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอครับอาจารย์แต่ว่ารอข้อสอบจริงนี่ต้องเจอครับทดลองหาข้อสอบทําูมันไปอยู่คนเดียวที่ไหนถ้าพักไปดไปปีแม่แม่อยู่คนเดียวครับจะน้อมนําไปปฏิบัติครับอาจารย์ จะได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราจต้องอยู่เปล่าเปยียวเดียวได้ไม่มีอะไรเลยขึ้นมาอยู่บนเขาเชื่อนนี้ก็ได้ไม่อยู่บนแค่ยับอยู่คนเดียวจะน้อมนำ ป, นปฏิบัติครับพระอาจารย์วันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายภาวนาเป็นงานที่สําคัญที่สุดของเรา พราะงานนี้เป็นงานรื้อภพรื้ชาติหรือว่ า, าทําลายการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นสุดงานนี้จะเกิดขึ้นได้จะรู้นี่งานนี้ได้ก็เมื่อมีพระพุทธศาสนามาสอนเราเท่านั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราเราก็จะก่อภพก่อชาติไปเรื่อยๆ เ, เพราะตัวที่ก่อภพก่อชาติก็คือตันหาความอยากที่มีอยู่ในใจเรา เราอยากได้นู่นอยากได้นี่มันสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นเหมือนยาเสพติดได้มาแล้วมันติดนะได้เราก็ต้องได้มาเรื่อยๆพอได้มันมาแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องหาใหม่หาไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่มาทําทําต่อทำ น, นี้มาต่อแก่เจ็บตายมาอยู่เรื่อยๆ เ, เป็นเวลายาวนาน จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารเราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนามีสอนวิธีตัดพกตัดชาติยุติการเงินไห้ตายเกิดด้วยการภาวนานี่ถ้าไม่มีการภาวนานจะไม่มีวันสิ้นสุดของการเรีนไหวตายเกิดถ้ามีการภาวนานก็จะมีการสิ้นสุดของการเรีนไหวตายเกิดได้ในนการภาวนาจึงถือว่าเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง พอถ้าเราภาวนาแด้เราก็จะยุติการเป็นว่าตายเกิดได้เราก็จะหยุดหดุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากเวลาเกิดความอยากใจก็จะทุกข์แล้วก็ไปไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใหม่ไปทุกข์บความการสูญเสียการทัดทานจากกันอยู่เรื่อย การภาวนาเนี่ยจะเป็นงานที่สําคัญที่สุดเอเป็นงานที่จะทําให้งานงานทั้งหมดสึ้นสุดองหน้าถ้าสญ็จนะถ้าทำงานภาวนาเสร็จแล้วก็จะไม่มีงานต้องทาอีกต่อไปแต่ถ้าทํางานอย่างอื่นทำเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันจบเพราะมันจะมีความอยากทําอยู่เรื่อยๆทำงานนี่เสร็จก็อยากจะหา ง, งานใหม่ทําอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่น้ำมันวนเย็นก็ ม, นมีอะไรทําเู่เรื่อย งานภาวนาเนี้ถ้าทำเสร็จแล้วหยุดตัวอย่างได้หมดแล้วมันก็ไม่อยากเหมือนก็ไม่มีความอยากอยากไปทำอะไรต่อไปมันก็อยู่เฉยๆไนดะ้อยู่เฉยๆไปตลอดนานประการไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปทำอะไรใหม่ต่อไปอยงเดีว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดเข้าใจไหม เขจาใจมากขึ้นม า, ากเลยอาจารย์ขอบคุณทุกคนอย่าสุดวันที่อาจารย์ผมวิไลคุณนุกุลเป็นยังไงบ้านุกูลอยู่ว่า่าวอยู่่า ก, กับนรสการค่ะกลับนรสการาอ์อ า, ราจารย์ครับยังไง <laughs> ยับเยินยับเยินนะวันนี้<ว>ก็เพิ่ง<ะ>ไปหาหมอมาก็ต้องแยกกายกับใจเนะาะเป็นคนละคนกันนะ เมื่อกี้เด็กๆเขาเพิ่งชี้แจงอยู่เด็กเด็กในนี้นะเด็กๆในธรรมะนะคะเพิ่งบอกชี้แจงอยู่บอกให้ฟังไว้นะกายส่วนกายจิตส่วนจิตเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงแต่ใช้ร่างกายเราเป็นเจ้านายกลายเป็นกายเป็นนายกลายเป็นบ่าวมันก็ใช้มันไปแต่มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เป็นของถาวร มันจะต้องมีวันสิ้นสุดล ง, งต้องจ บ, บแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเราก็้วเรายังมีกิเลสอยู่เราก็จะไปหาร่างกายไปหาคนใช้กันใหม่มารับใช้ใหม่ต่อยพยายามฝึกหายใจอยู่ปัจจุบันนี้นะฝึกสติฝึกสติฝึกสติหายใจต้องมีสติสติถ้าไม่อยู่กลางใจหายใจอย่างเดียวอย่ๆไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หายใจก็จะสมบ ใจกอจได้รับกับความความความเป็นไปของร่างกายได้อันในะจส ง, งบใจก็จะเฉยปล่อยวางได้อยาฝึกสติให้มากอย่าคิดหยุดคิดให้รู้เฉยเฉยอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปทั้งนี้ใจเราก็จะไม่เครียดใจเราก็จะสบาย จะนําไปปฏิบัติกับเนี่ยบางทีถึงเวลาทุกต้องถูกบางคับมันึ่งจะปฏิบัติถ้ามันไม่จนตอบจนูมันก็ยังไม่ยากทำถึงเวลาเลยอทค่ะถ้าไฟยังไม่ล่นก้นก็ยังไม่ถ้าไม่ใชอย่างน้อยที่สุดก็ถึงเวลาแล้วอ่าคุณหมอบอกว่าคุณลุงเป็นหลายโรคแล้วเกินอ ร่วมม า, าพร้อมกันหมดก็ดูเลยมันไปรักษาไปแต่ใจเราก็ต้องรักษาด้วยสติพยายามทำใจให้เราให้สงบไม่ให้ไปที่กระดับร่างกายนั่นเองใจสงบแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับอะไรอะไรจะเกิดกับร่างกายเราก็รับมันได้อันนี้เรามไม่ยอมรับกิเลส ล, ล้วไม่ยอมรับมันไม่เราไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปมันอยากให้มันเป็นเหมือนเดิม แต่มันไม่มันเป็นไม่ได้เพราะทุกอย่างมันต้องมีการเสือ่อมมีการมีการสูญเสียไปเลยที่สุดมีการดับหลายชิ้นสูวนถึงเวลาใช่อย่าลืมเลิกใจก็แล้วกันใจนี่สําคัญกว่าร่างกายใจเรารักษาได้แต่ร่างกายน่เรารักษาเท่าที่จะเท่าที่มันจะรักษาได้แต่ใจนี่เรารักษาได้ตลอด นำ้ำสดสติเวลาดูลมหายใจก็ส่วนลมนหายใจก็รู้ข้าวรู้ว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดถึงใครทั้งนั้นให้อยู่ให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวอย่างพระอาจารย์ชาท่านเคยพูดว่าถ้าคุณหายใจได้คุณภาวนาได้ถ้าคุณหายใจเป็นคุณภาวนาเป็นให้ดูลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวตัาง พอใจไม่คิดความเครียดที่เกิดจากความคิดมันก็จะหายไปใจก็จะเบาเย็นสบายครับอาจารย์ครับลองทํำดูเสียนะมันจะเห็นผลทันทีเพราะตอนนี้มันมีข้อสอบมันไม่ไม่มีของจริงมาอให้เราชดให้เราชดสอบแล้วตอนนี้เราเครียดพอสอบ่พเราหยุดความคิดได้ให้ความเครียดหายไปมันจะรู้ว่าความเครียดเกิดจากความคิดของเราเองนั่น ผมถามก่อนว่าเครียดบ้างค่ะปัจจุบันก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอ่าดีไม่คิดก็ไม่คิดเลยอ่าอร์ยเอะไรจะเกิดก็เกิดเคสเซเพื่อนหลายคนบอกว่าไม่มีสมองที่จะคิดต้องปล่อยวางอะค่ะน่ะบงปล่อยวางเมื่อเมื่อวานนี้ฟังต่างชาติชอบอันหนึ่งต้องมากับเดนพระจารยร์ว่าพระจานทร์ เป็นไอดอลเป็นไ <c oughs> อดอลของเขาฟังแล้วแบบเป็นภาษาคนรุ่นใหม่แล้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหนม่ด้วยนะพวกก็มีเหมือนกับเขาเป็น follower อของพระอาจารย์เพราะว่าเป็นไอดอลทางด้าน Enlightment หนุเด็กหนุม่มๆคนนั้นน่ะนะคะเลยรู้สึกเหมือนกับพี่น้องเมื่อกี้ที่อยู่ในแถบพวกก็คือให้พระจัจารย์เิทธาขันแข่งแรง อยู่ไปนานๆเป็นพึ่งๆทางจิตของพวกเราเออนี่าสัมมันได้กันดีนถ้ามันอยู่ร้อยปีร้120อยยี่สิบปีได้อะนนี้มันจะมันจะเชื่อฟังเราหรือมา ก, ก็ก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ก็ก็นานที่สุดนะคะออก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่ไปตามมี<ป>ตามเกินเอาเอาเอาวันต่อวันไปเท่านี้ไม่คิดมากกว่านี้ คิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่รู้พวกนี้อะไรจะเกิดขึได้นะนี่เราแค่วันต่อวันเแค่เย็นแค่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วให้มันไม่เครียดในปัจจุบันก็พอนค่ะอันนี้เป็นข้อธรรมะที่ดีประจําวันนี้เลยค่ะก็คืออยู่ตอนนี้อยู่อยู่ในวันต่อวันออวันต่เพราะว่าอนาคตนี่มองไม่เห็นว่าวันข้างหน้าคืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นได้เยอะแยะนอกจากร่างกายแล้วมันจะมีเหตุกรงเหตุการณ์อะไรต่างๆ ท, ที่จะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะถ้าเรารักษาใจให้มันไม่เครียดอยู่ในปัจจุบันได้อะไรจะเกิดเราก็จะไม่เครียดกับมันแล้วก็เฉยๆไปกับมันนได้เลยโอเคนะคุณพระอาจารย์ค่กรรักษาการอาจารย์ค่ะโอเคต่อไปคุณสาธกการจากชัยน่าเชิญมาฟันธรรมค่ะอาจารย์ไม่มีคําถาคาค่ะโอเค ไปต่อเลยนะค่ะที่คุณจุ๊บโกเบจุ๊บการในวัฒนการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะอืมมีคําตอบไหมคำตอบก็ไม่มีเจ้าค่ะคําตอบก็ไม่มีคําถามก็ไม่มีเลยค่ะโอเคใช่ไม่มีก็แล้วไปงั้นค่ะไปที่คุณฟางว่าอะไรต่อ กรรมนมัสการเจ้าข้าพาจยา์วันนี้ที่ไปฟังธรรมเจ้าข่าพระอาจารย์พอดีพระอาจารย์เทศเรื่องธาตุรู้ในในช่วงต้นๆ น, นะคะก็เป็นที่ที่สิ่งที่หนูกําลังสนใจอยู่พอดีะคะ่ะทีนี้อขออนุญาติพระอาจารย์นะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วหลับตาลงอะคะ่ะเราก็จะเห็นธาตุรู้ของเราอะคะ่ะแต่ในเรื่องของเมื่อเมื่อเราต้องออกมาจากสมาธิอะคะ่ะจะทําสิ่งไหนได้บ้างที่ทํา จะให้เราไ ด, ได้ได้ได้ได้รู้ตลอดเวลาว่าธาตุรู้มันต้องทํางานต่อไปเช่าค่ะเออไม่ไม่ยังเป็นจะต้องทําทอย่างนั้นเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้เรามีสติคอยรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างก า, งเ า, กายเพื่อกควบคุมใจไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราเป้าหมายของการปฏิบัติของเราเมื่อสกัดความทุกขแล้วตัวนี้มาสร้างความทุ่ข์เคื่อขมความคิดของเรา ถ้าเราควบคุมความคิดได้ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้มันก็จะเกิดมันจะสร้างเลื่องให้เราคิดให้เราวิตกให้เรากังวลให้เราให้เราทุกข์ให้เราเครียดได้อไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลกับตัวเราหรอกแต่ถ้าเรามีสติถ้าเรามีสติเราก็จะทําให้ตัวเรามันรู้เฉยเฉมันไม่มีการกระทําอะไรที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรา แต่ถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวตัวรู้มันก็จะไปรักบ้างไปชัง่งบ้างไปกลัวบ้างไปหลงบ้างเพราะฉะนั้นสติก็จะเป็นจะเป็นฐานที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมขั้นขึ้ น, ข, นขึ้นไปถ้ามีสติอย่างน้อยก็สกัดความคิดได้ถึงแม้จะไม่ได้สกัดแบบท้าวอนก็จะสกัดแบบที่เวลามันเกิดสร้างความเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็หยุดมันได้ชั่วครั้ชั่วคร า, วควาแล้วขั้นต่อไปก็ ถุกปัญญาให้สอนว่าความเครียดจะเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากในอยากให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงเป็นไปไม่ได้อยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเป็นไปไม่ได้อะไรก็จะใช้ปัญญาขั้นต่อไปเจ้าค่ะอาจารย์ก็ค่ะ ต, ตัวรู้เราไม่ได้ไทำอะไรเพียงแต่สอนให้มันฉลาดตอนนี้ตัวรู้มันโง่ ộ, มันหลง มันควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุ ม, มาาอารมณ์ควบคุมความที่เขามันเองไม่ได้มันถูกมันถูกิกเลสย่งไปความคิดของของเรานี้กิเลสมันแย่งเอาไปใช้มันดึงให้ไปคิดในทางโลกโกรธหนมเราก็เลยสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจเนี่ยนอมาสกัดมันอยู่ไอ้ตัวกิเลสเนี่ยด้ยการหยุดความคิดโดยที่มันกิเลสมันใช้ความคิดเป็นเครื่อง ถ้าเราเอาความคิดมันปเป็นเครื่องมือของเราได้กิเลสมันก็จะไม่สามารถเอาความคิดไปสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ปบ่อยๆครั้งที่กิเลสมันเกิดขึ้นในช่วงทํางานนะคะอย่างเช่นมีความกังวลมีความไม่สบายใจมีความไม่ชลาดไม่ไม่ ม, ญญไ ม, มีไม่มีปัญญาต้องรู้นะถ้าเกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจนั่นแสดงว่ากิเลสมันเริ่มทางานเพราะฉะนั้นเราก็คือก็ต้องใช้ธาตุรู้จับจับเราก็ต้องต้อง กลักมันให้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช้ปัญญาต้องใช้ตายรักหยุดมันใช้ปัญญาและไตายรักปัญญามากขึ้นตารักเห็นนอะไรเป็นตายรักมันก็จะหยุดความอยากได้อยากให้งานอยากให้งานราบรื่นแต่มองงานมันก็เป็นตายรักไม่สั่งมันไม่ได้มันจะลาบลื่นก็ลามลื่ไม่ลาบลื่ก็ไม่ลาบลื่นเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีอยาก ท้าคนปองเราสามารถทีทางา น, นร่วมกันอย่างดีได้ผลได้เลื่อนมันก็ไม่มาทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากต้องเคียดเนี่ยนะต้องยอมรับว่า ม, ม, ม, ม, มันมีตัวแปรเยรอะแล้วแล้วามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวที่จะไม่ได้ทําให้ทุกอย่างราบรื่นกันได้เราก็เราก็เลยไปเครียดกับตัวแปรต่างๆ ว่าเราไม่ฉลาเรามองไม่ทันมองไม่ไม่ไมคิดถึงตัวแปรต่างๆพ อ, พอหนูพอกิเลสมันมันเกิดขึ้นมาปุ๊บหนูก็หนูช่วงที่ผ่านมาหนูก็แค่จับว่าเอ้ยตอนนี้โกรธแล้วนะต้องเราต้องไม่โกรธแล้วตอนนี้เราเครียดนะเราต้องไม่เครียดอะไรไงเงี้ยค่ะก็ใช้โปริกรมพุทโธแต่มั น, มนก็จะบักเป็นตัวเขาใช้ใช้สติใช่ต้องโ<ม>ค้ดเาสาเหตุของ ค, ความโกรธต้องเก่ก่อจากข้าไม่ไม่ได้นั่งใจอย่าง อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธยังก็ต้องมางว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นสองไม่แน่นอนอย่าไปอยากได้ตั้งเป้าบางตั้งเป้าไว้ได้คนจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโกรธเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วค่ะขอบคุณเจ้าค่ะพออยากแล้วมันต้องได้นั่นต้องเชื่อมันต้องได้ดังใจอยากพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาทีเอาไปแล้วต้องเปลี่ยนทัศนคติ อย่าไปยึนมั่นถือมั่นกับความอยากอยากได้แต่อย่าไปอยากไปยึนมั่นถือมั่นอยากแล้วก็อาจจะไม่ได้ตามความอยากก็ได้ให้คิดอย่างนี้มันก็จะไม่ทุกเวลาไม่ได้ตามที่เราอยากได้นำรับคําสอนเจ้าค่ะเข้าใจเข้าใจเจ้าค่ะแต่หนูเอาไปหนูไปทําเพิ่มให้หนูหนูก็หนูคิดว่าหนูก็ลดลงเยอะแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดกิเลสร้อยเปอร์เซนเจ้าค่ะก็ต้องทำขยันเพิ่ม การที่เราการคิดของเรามันมันไม่ไม่พอเพียงกับเวลาไปเจอของจริงของจริงมันการคิดของเรามันเหมือนงานการทําการบ้านบาง ท, ทีเราคิดว่าเราทำข้อสอบได้แต่พอันเจอข้อสอบจริงๆล้วทําไม่ได้ครับล้ขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปครับไปต่อที่คุณหมอภาคนา กลางเทศกาลค่ะพระอาจารย์ก็ยังสงบสบายอยู่นะคะพระอาจารย์แล้วก็ไม่เจอข้อส so. so. อบไม่เจอข้อสอบจังก่อนขอขอบคุณพระอาจารย์นะคะเพราะว่าที่พระอาจารย์สอนสั่งมาเนี่ยก็ทําให้ดูแลคุณพ่อได้แบบคือรู้สึกว่าเราสามารถทําหน้าที่ได้เต็มที่อะคือไม่มีมนสมัยก่อนเ้าจะบอกอะให้กินยาต้องไปกินในนู่นไม่กินใน น, นนี่เหมือนที่พระอาจารย์หมอตอนนี้คุณพ่อมีความสุขเลยเพราะว่าเราดูแลแบบแบบเแบบให้ท่านอย่าตามใจท่าตามใจท่าน เป็นผู้รับใช้ <c oughs> ใช่เราเป็นแจวไม่ใช่เป็นไปเป็นแม่อบคุณมาก่ะขอบคุณมากเลยทำใคุณพ่อมีความสุขแล้วก็เลยทําให้คุณพ่อมาพามาวัดได้แล้วก็มีคําตอบวันหนึค่ะพระอาจารย์ที่เมื่อกี้พระอาจารย์พูด ค, คาตอบรู้สึกว่าพอเราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ก็พิจารณาไตรลักษณ์กับ period, เนี่ยไปเรื่อยเรเรื่อยมันมันเห็นอันหนึ่งคือมันมรู้สึกว่ามันมีภ ม, มิหมหารสีมันคือมันคือแบบเข้าใจกันว่ามิหมญารสีใช่ไหมคะพระอาจารย์รู้สึกว่าเออมันม <c oughs> ันเห็นทุกคนหรือเห็นมรรสสัตว์มันก ว่างว่าอยู่ในสังสารวัฏก็ต้องมาปฏิบัติต่อมันอันนี้มันมันเห็นขึ้นมาเลยนะพระอาจารย์ค่ะนี่แล้วก็พระอาจารย์เทพบรรจิตเนี้ยที่แบบว่าที่ใช้พระละออกจากสังสารวัฏนั้นเข้าใจก็พยายามตั้งใจปฏิบัตินะพระอาจารย์ตั้งใจเราเหมันเหมือ น, นญาณวังกายทีออกจากสังสารวัฏได้ต้องมีจรวดส่งมองไปจรวดก็คือพระละหั่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ที่เต้องสร้างขึ้นให้มันเต็มร้อยให้ได้พอเต็มร้อยปุ๊บมันก็จะครับมันก็จะความอยากที่มีมันก็จะทะยานออกอยากมันมันก็จะทําลายความอยากที่ขัดความได้พออยากอะไรก็มันก็พังหมดทะลุหมดเลยจ้าขอบพระคุณครับอาจารย์ตั้งใจทําต่อไปเรื่อยๆค่าคุณชันนี่แมเข่าก็แบบคุณชันนี่คุณจอ่ะ ใช่ค่ะพระอาจารย์กามนมัสการค่ะไลไปไห่มามยังยังตามตามอยู่ข้างนอกอยู่ค่ะพระอาจารย์เวลาไม่ได้เข้ามาก็ดูข้างนอกค่ะแต่ว่าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไฟดับใช่ไหมคะเออพอดีไฟดนะับแล้วพอดีสองทุ่มมีมีพระเขาเมื่อต่อสายไฟมาให้ใช้ช่วบคลาง ก็เลยรอดามเข้าเดี่ยก็เข้าได้ก็เลยแต่เข้าสายหน่อยเข้าสองทุ่มนอ๋อหนูหนูเห็นประกาศไฟดับก็เลยไม่ได้เข้าเลยตอนนั้นกขาประกาศเพราะาไม่คิดไม่คิดว่าจะทําได้เพราะมันไม่มีไฟแล้วกดีพระเข้าไปขอสายไฟจากใครบาไม่ทราบมันยาวพอที่จะต่อไฟที่ใช้ชัว่วคราวได้ก็ค่ะพระอาจารย์ก็เล่นหนีไปดูซีรีส์ค่ะว่าอาจารย์ก็ดีใจว่าสบายไม่ต้องเรียนหนังสือในวันนี้ ใช่ค่ะเหมือนแบบหนีเรียนเลยค่ะรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าเหมือนมีเรียนอ่าวันนี้มีคําถามค่ะพระอาจารย์ถ้าเวลาเรานั่งสมาธิค่ะเราไม่ต้องคิดใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่เมื่อนั้นทำสมาธิไม่คิดอะไรเลคิดมันก็จะเข้าชายไม่ได้นี่มันเข้าชายได้เพราะมันไม่คิด าจะรู้ว่ามันชานแค่ไหนว่าเวลาทำเสร็จแล้วก็มานั่งวิเคราะห์อย่างอ๋อค่ะแต่ก็ไม่<ต>จำเป็นราไม่จำเป็นเพราะราาสำคัญช้อยเราเข้าสู่ความนิ่งสงบขึ้นนี่เป็นอุเบกขาไนดะ้ตัวนี้ก็จะเป็นชานสีหนึ่งสองสามนี่มันก็เป็นทางผ่านบางทีก็ผ่านตงบางทีก็ไม่เกิดบางทีก็ผ่านแบบรวดพ้าดไปเลยบางทีมันก็ไปมันก็อาจจะแวะเป็นขั้นข้นไปก็มีแล้วแต่ ไม่สําคัญนะเป้าหมายของเราคือฌานสี่คืออุเบกขาให้จิตนิ่งสงบสักแต่ว่าไม่คิดปูงแต่งแต่ว่าถ้าคนที่เอเก่งในด้านเข้าฌานคือเ อ, อหมายถึงว่าเก่งแล้วเนี่ยท่านสามารถแบบเข้าเข้ากําหนดได้ไหมคะว่าจะเข้าฌานหนึ่งฌานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันจะต้องเข้าเป็นลําดับคัน มันก็ต้องเข้าไปตามขาั้นของมัอย่างตอนที่ดูลมหายใจนึกบริกรรมพุ่งโถไปแลหรือคำนวณหยุดถ้ามีสติให้มันหยุดคิดได้มันก็จะเข้าไปได้แต่ถ้าเข้าไปในชา้นสี่แล้วก็คือให้อยู่ในชา้นสี่ให้นานที่สุดไม่ต้องถอยชา้นออกมาใช่ไหมคะใช่ต้องการให้อยู่นา น, านๆเพราะเป็นที่ชา้นแบตเตอรี่ของจิตเนี่ยอุเบกขานี่มันมั น, ม, นมันพลังสร้างดีเลนได้ ถ้าไม่มีอุเบกขาสู้กิเลนไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่ถึงไหนคะ่ะแต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะถ้ามีอุเบกขาใคยด่าก็เฉยได้ไม่โกรธใครกระชมก็ไม่ดีใจใเฉยแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาพอกระด่ า, ดาปั๊บก็โกรธขึ้นมาทันทีใครชมก็ดีใจขึ้นมาทันทีค่ะพระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอืมอืม อรุเทพรอเขียนชื่อใหม่ยังนรสวัสดียนรสวัสดีอ่ยอาจารย์แล้วค่ะพระอาจารย์หนูเพิ่งเห็นว่าหนูเริ่มเขียนชื่อตัวเองสติค่ะพระอาจารย์สติหายว่อ <laughs> าอาทิตย์นี้ไม่มีคําถามแลวค่ะพระอาจารย์แต่ก็เมื่อกี้พระอาจารย์ถามเพื่อนว่าเซลล์คุณหมอว่าไม่มีโจทย์ไม่เจอโจทย์หนูเจอโจทย์มาทางอาคติเลยค่ะแล้วก็ ก็ดีที่เจอพระอาจารย์นะคะ่ะคือมันก็มีเรื่องให้ให้จิตตกอะไรเยอะคะ่ะแต่ก็แล้วก็โดนว่าก็โดนว่าจริงๆค่ะอาจารย์โดนทวงงานโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ ก, ก็ทําเป็นมึนๆไปะค่ะพอาจารย์ตั้งสติทํางานไปนะคะ่ะไม่งั้นสติแตกค่ะพระอาจารย์อะไรทดสอบอารมณ์เมืลยการทดสอบเราไม่นอกทดสอบแบบไม่ไ ด, ไมได้มีการบอกล่วงหน้าว่านี้จะมาทดสอบอารมณ์คุณ มันต้องมาโดยที่เราเซอร์ไพรส์โผล่ขึ้นม า, มาไม่ใช่<า>ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็ไปนั่งทดสอบอารมณ์กันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็ทดสอบคุยกันได้อะไรไปอันนั้นเป็นเพียงแต่ถามฐานสถานภาพของการปฏิบัติมากกว่าการทดสอบอารมณ์นี้ก็คือต้องเจอข้อสอบข้อสอบที่เราแม้แต่ตั้งใจจะจะจ ะ, จะทําแล้วมันโผล่ขึ้นมา มานั่นแนหะถึงยังไม่ว่าเราทําผ่านหรือไม่ผ่านอ้ออธิษฐานรพระอาจารย์ให้คําว่าก็ไม่เป็นไรสอบตกก็สอบใหม่ะคะ่ะมันมันทําให้ฮึดฮึดใหม่ทุกครั้งที่รู้สึกสอบตกได้งั้นพอพอไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหม น, นะคะแต่เหมือนกับอพอเราสอบตกแล้วมันพอสติเราแตกไปแล้วสมาธิเราแย่ไปแล้วมันก็จะรู้สึกแบบอเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดพระอาจารย์ว่าก็ทําใหม่มันก็แค่สอบตกก็ซ่องสิ มันก็จะมีแรงฮึบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่า mm hmm. เอองั้นงั้นก็ลองทำแต่อาทิตย์นี้เวทนามาเยอะค่ะพระอาจารย์แต่ก็เพราะว่าฟังพระอาจารย์มาเยอะบั้งคะมันก็เลยเหมือนปล่อยใจเลียว่าหนูคุมอะไรไม่ได้เลยอะคะ่ะหมายถึงหนูนั่งทํางานจนหลังเจ็บไหลเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วสุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกทรมานเข้าไปในหัวใจว่าฟัามันต้องมาเจ็บอย่างนี้แล้วก็นึกว่า มันเป็นแค่อุปกรณ์นะคะอาจารย์มันเป็นแค่อุปกรณ์ที่เราใช้ประกอบกิจในโลกอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็หายแหละมันก็มันก็เลยดึงตัวเองกลับมาอยู่กับงานได้แล้วก็ทําต่อะคะ่ะนั่งไม่ไหวก็ไปนอนให้หลังมันเหยียดอะคะ่ะแล้วก็ทําต่ออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็พยายามค่ะอืมถ้ามันแค่เครื่องมือใช้ได้ก็ใช้มันไปใช้ไม่ได้ก็ต้องพักมันให้ก่อนค่ะอาจารย์ก็ ก็จะพยายามรักษาสติเจ้าค่ะพรอาจารย์ขั้นตอนไหไวยก่อนค่ะโอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะข้ารเจ้าข้าพเจ้าถึงได้คุณแอนคงไม่มีปัญหาเช่นเคยเพราะตั้งแต่เข้ามาไม่อปีปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ในวันสักการะพระอาจารย์มีปัญหาก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์มาน้อมนําปฏิบัตินะคะเสร็จแลลูกยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าลูกตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอพระอาจารย์มากๆเลยค่ะ เหมือนเราศรัทธามากมากค่ะแบบเหมือนไปตัดผมแล้วไปเจอดาราค่ะเฉยแบบเชยมากมากเลยค่ะ <c oughs> เราก็เล่าให้คนข้างๆฟังคนงข้างๆเขาบอกว่าใครในโลกนี้ที่จะทําให้เธอตื่นเต้นได้แล้วก็บอกว่ามีคนเดียวก <c oughs> ็คือพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าออจนถึงวันนี้ก็ยังแบบตื่นเต้นแล้วก็ดึงจิตกลับมาให้มันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันแต่ก็ยังตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> ดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์ทุกครั้งมากๆเลยค่ะอย่างว <Okay. S 2> ่า อ, อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์คุยด้วยใช่ไหมคะลูกก็ตอบแบบตื่นเต้นไม่มีสติเลยค่ะอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์เลยดึงให้ต็มีสติตลอดเวลาฝึกไว้เลยค่ะเพื่อเพื่อจะอยากคุยกับพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าก็ยังตื่น เ, นเต้นอยู่สักศรัทธาพระอาจารย์มากเลยนะเจ้าคะ่ะนะครับคุณพยายามปฏิบัติให้ ม, มาก <c oughs> ๆขึๆ้นไปตามศรัทธาแล้วละกันนะ น้อมนำปฏิบัติในเจ้าค่ะสาธุ <Okay. S 2> ค่ ะ, ะคุณอ้อมจากหมอวินชบบอนเบลินยัง ไ, ไงไปชิคาโกมาสนุกไหมงานมั้ยอาจารย์ค่ะสนุกค่ะอาจารย์ได้เห็นอะไรมากมหมย่ททำให้สนุกก็ได้ทาก็ไปทำงานแล้วก็เขาก็พาไปเที่ยวด้วยค่ะก็สนุกดีค่ะ วันีดีไปนั่งภาวนานะไม่ไงเออไม่ได้นั่งเลยกลับมาก็เริ่มภาวนาแล้วคะ่ะพระอาจารย์เราพยายามทำาภาวนาจีนดีกว่านะผลที่ได้รับมันจะดีกว่าผลที่เราได้จากการไปเที่ยวค่ะ <c oughs> มีอะไรไหมไม่มีใช่ไหม <c oughs> ไม่มีโอเคไม่มีก็คุณไปที่คุณพยายามต่อ ปิยมาอเจาร์ันพูธนาค่ะมีอะไรไหมอ๋อมีค่ะมีสามข้อค่ะถามเรื่องอะไร้ะค่ะหนูสนใจเรื่องอริยสัจสีค่ะเพียงแต่ว่าหนูกำลังคิดอยู่ว่าจะฟังเฉพา ะ, ะเทศของพระอาจารย์แล้วก็ พยายามทําความเข้าใจหรือจะฟังเทศแล้วก็เอาหนังสือมาศึกษาเพื่อเราจะจําคําศัพท์จําอะไรได้อย่างเนี้ยค่ะควรจะปฏิบัติอย่างไงดีค่ะคืออริยสัจสี่มันก็มีแค่สี่ข้อที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจข้อที่หนึ่งท่านเรียกว่าทุกขสัจความจริงหรือความจริงที่เป็นความทุกข์คือเปนความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราเกิดขึ้น เกิดขึ้นปัไหาก็ตามที่เราเจอกับความแก่บ้างเจอกับความเจ็บไข้แน่ป่วยบ้างเจอกับความตายและเจอกับการทัดทากกันเราจะมีครั้งรู้สึกทุกข์ใจใช่ไหมอืมไม่ไม่ได้ทุกข์ใจขนาดนั้นเพียงแต่สนใจที่อยากจะศึกษาคือตัวหนูเองตัวลูกเองเป็นคนแบบมีความวันเมื่อวานหนูนฟังเอ่อเทศของพอาจารย์ หนูจะมีความอยากเยอะอยากในลักษณะอยากเข้าใจอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้ที่อันนี้คือความทุกข์ของหนูค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้มีบททดสอบใหญ่ๆที่ว่าเจอแบบการจากพัดคาการเสียของรักอะไรอย่างนี้ยังไม่มียังไม่มีประสบการณ์อ่ะอืมอย่งเพีงทาคิดถึงมาแล้วรู้สึกอย่างไรมากการเหตุการณ์นั้นถ้า เรายังไม่เจอแต่วันไหวันหนึ่งเราก็ต้องเจอมันใช่ไหมเราก็จะต้องแก่เราจะต้องเจ็บไายได้ป่วยแล้วเราก็จะต้องตายไปอย่างเนี้ยพอเราคิดถึงเรื่องเหล่านี้เราเรารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกเจยเฉไม่เดือดร้อนอ๋อเพราะเรายังไม่ได้เจอกับเหตุการณ์จริงกันได้ใช่ไหมค่ะผมคิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงที่พัดภาคอาจจะมีแบบว่าเพราะ ยังไม่ได้เสียพ่อเสียแม่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าสนใจอะไรมากแต่ที่ประสบการณ์ที่หนูจะมีความแบบเป็นอยังไงดีคะพระอาจารย์คือว่าอยากให้ได้ดั่งใจอันนี้จะเป็นบ่อยแล้วหนูพยายามจะดูที่ใจของหนูว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงอยากอย่างนั้นเราไมถึงไม่อยากอย่างนั้นเออทำไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมไม่ได้ดั่งใจแล้วมันจะมีคาตอบว่าอ๋อเพราะเราอยากให้ได้เป็นอย่างใจของเรา หรืออาจจะเป็นตรงเงินท่ามค่ะเรามีความยึดมั่นถึงมั่นในความอยากของหนูเนี่ยอยากได้สิ่งนี้เราต้องให้ได้ต้องเอาให้ได้แต่เราเลยมองความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนใช่ไหมบางทีเราก็ได้บางทีเราก็จะไม่ได้ใช่ไหถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความอยากของเราเราก็ต้องอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นกับความอยาก เลยต้องปรับปรับความอยากของเราให้มันอยู่ในสภาพแบบว่าอยากได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีต้องยอมว่ามันมันมันเปน็นไปได้ทั้งสองรูปแบบแเราก็จะไม่ทุกข์ยังอยากได้อยู่แต่ต้องต้องรู้ว่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทําใจบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นการเหมือนกับว่าลดความอยากลงให้มันอยู่ในระดับที่มันจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเรา<ม>แต่มันก็ยังสร้างอยู่หรอกเอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็จะไม่เป็นปกติแล้ใช่ไหมใจเราจะต้องมีความคล้ายๆเหมือนคาดคะเนว่าจะได้หรือเปล่าวิตกกันงวลอะไรต่างๆไปถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการที่มีอาการอะไรนี้เกิดขึ้นเราก็ต้อง ทำใจว่าได้ก็อาจจะได้กันนี้อาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เมื่อเรายังมีความจําเป็นที่จะต้องได้สิ่งได้สิ่งเหล่านั้นอยู่ละเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องแสวงหาไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กว่ามันในทางที่ดีก็เราต้องอย่ากปอยากมันเลยได้ไม่เลิกความอยากไปเลย หวาให้มันมาเองถ้ามันจะมาก็มามไม่มาก็เรื่องของมันไปเราทําในสิ่งที่เราทําได้ทําในสิ่งที่เราให้ความสุ ข, ขเราได้ทําในสิ่งที่เราอยู่ในขอบเขตความสามารถที่เราจะทําได้แล้วก็ทําในขอบขอบนั้นไปเราก็จะไม่ทุกข์เข้าใจไหมข้ใจค่ะขอใจละสาทุค่ะอริยสัจส ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราอยากแบบที่เราต้องตต้อต้องององเอาให้ได้เดียวพ อ, อไม่ได้มนก็จะทุกข์แต่ถ้าเราใช้มากคือปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่แน่นอนบางทีอาจจะได้บางทีก็ บ, ง ท, กบงทีก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าเราแบ่งแบ่งใจไว้สอ ง, ส, อ ง, ส, องส่วนได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราก็จะไม่ทุกข์มากถ้าเราไม่อยากจะ ทุกเลยแล้วก็อย่าไปอยากได้มันเลยอยู่กันแบบไม่มีก็พยายามพันอยู่กับไม่มีอะไรให้ได้ลดความอยากลงให้น้อยลงการที่เราจะลดความอยากให้น้อยลงเนี่เราต้องทำใจให้เรามีความสุขในตัวของเราเองคือคือเราต้องฝึกสมาธิฝึกนั่งสมาธิให้มากว่าเวลานั่งสมาธิทําใจเราให้สงบแล้วเราจะมีความสุขเมื่อเรามีความสุข ในใจเราแล้วความหิวที่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปต่อไปเราก็จะละความอยากต่างๆได้หมดถ้าเรามีความสุขจากการทำใจขอเราให้สงบอันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นการเจริญมรรคสมาธิก็เป็นมรรคอย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นมรรคอีกอย่างเป็นองประกอบมรรคใองค์แปนะ สมาสมาธิสม า, สมาปัญญาสมาติถิ่นก็คือปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นว่าทุกทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้<ม>ก็ไม่เป็นไรถ้ า, าถ้ามันไม่ได้เราก็หาความสุขที่นั้นที่แน่นอนที่เราสามารถหาได้ก็คือการทำได้ให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาเ่อเรามีสมาธิเราก็จะลดความอยากได้สิ่ ง, งตา่างๆให้น้อยลงไปได้ จนไม่ต้องการอะไรเลยก็ได้ถ้าเรามีความสุขอยากสมาธิอยากความสงบได้ตลอดเวลาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอือยังสรุปก็คือในนิยสัตว์สี่สิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้มากก็คือมรรคเราต้องพยายามดแลนสตินั่งสมาธิให้จิตสงบให้มีความสุขแล้วก็สอนใจให้เกิดปัญญาว่าสิ่งต่างต่าที่เราอยากได้ในโลกนี้มันเป็นของไม่แน่นอน แล้วมันก็จะถึงแม้จะได้มามันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะวมัมได้มาแนละ้วมันก็อาจจะจากเราไปต่อไปในทางที่ดีอยากไปอยากได้เลยในโลกนี้จะดีกว่าอยู่กับความไม่มีอยู่กับความว่างถ้าเรามีควาสมสงบมีสมาธิมีใจนิง่งเราก็จะไม่ต้องมีอะไรเราก็ยังอยู่ได้ น, น, น, นะพยายามฝึ ก, ฝกสมาธิฝึกสติให้มาก แล้วก็พายามพิจารณาตายรักให้มากมองตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากที่เราเคยมีมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะคุณค่ะ<อ>ส่วนข้อคิดนะข้อที่สองนี่คือภาคปฏิบัติค่ะเวลาหนงนั่งสมาธิมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าพอนั่งแล้วมันจะอยู่แบบขึ้นมันจะมีแบบแค่ว่าว่าง ไม่คิดอะไรไม่นั่นอะไรเห็นขาที่มันเจ็บมันปวดแต่มันไม่ประยุท์่ะเห็นแบบมันเห็นเห็นมันอยู่ไกลๆอ่ะรู้สึกว่ามันปวดแต่มันไม่ได้ยุ่งอะไรกับเรามันนี้ปฏิบัติตามใช่ไหอคะใช่แล้ว่าอุเบกขาเนี่อันนี้คืออุเบกขาอ่าใจเราเชื่อกับสิ่งต่างๆได้ใช่แลวเราก็ต้องใช้อุเบกขานี่ห้มีมากมาก เพ่เวลาที่เราออกมาจากสมาธิ เ, เวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ชอบเราก็จะวางวางใจให้เฉยได้เป็นไปเจอคนที่เราไม่ชอบมันก็เฉยเฉยได้เจอคนเขาด่าเราแล้วก็เฉยเฉยได้ไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยนอนนี่คือประโยชน์ของการฝึกสมาธิให้เรามีอุเบกขาให้วางเฉยแล้วก็ให้เรามีความสุขเราสามารถอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องรัง้องให้คนก็มาเสนอเสีย น, ย, นยอเราให้เรามีความสุข เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กังวลกาย ด, ดานะเราก็ไม่เดือดร้อนเฉยๆเราจะอยู่เหนือโลกกระทำได้ถ้าเรามีอุเบกขาโลกกระทำคืออะไรก็คือราบยุทธสนรรเสริญนักความสุขทางตาผมจะบอกวิ้งตายถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะไม่หิวกับราบยุทธสนเสริญสุดแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนในเวลาที่รายุทธสนเสริญสุขเปลี่ยนจากจะเรานั่นเป็นเสือ เสอมลาบเสื่อ ม, มย่นยินทาโชกเราก็จะไม่เดือดร้อนพถ้าเรามีอุเบกขาให้พยายามฝึกสมาธิให้มากมากให้มันนิ่งนานๆเฉยๆเป็นนานๆฝึกบ่อยๆถ้ามันหลายๆรอบถ้าเราทําได้มากเท่าไร ย, ยิ่งดีมันจะสร้างให้เราไม่จิตเรามีความเย็ยนความสบายเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะเฉยได้ ค่ะพอาจารย์แต่แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะคะบางครั้งก็ยังแบบฟุ้งซ่านอยู่แ ต, แต่ก็ต้พยายามปฏิบัตใิให้มันให้มันให้ได้บำเบิกขาให้มากขถ้าเราปฏิบัติ บ, บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปมันก็จะทํางานมันก็จะเข้าไปจุดนั้นได้ง่ายขึ้นยิ่งทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งจ้เกิดทำชํานาญมากขึ้นไปค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ส่วนข้อที่ถามเนี่ยก็ยังเป็นภาคปฏิบัติหยู่ก็คือว่าครั้งแรกที่หนูปฏิบัติเอที่ว่ามันมีเหตุการณ์อันนี้นะคะก็คือว่านั่งปฏิบัติอยู่แล้วหนูเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าชอบเห็นไฟมันสว่างดับสว่างสว่างอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือตอนที่นั่งนั่งนั่งมาแล้วมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามันมีตัวบอกขึ้นมาว่านี่คือสัญญา แล้วหนูก็บอกว่าในตัวหนูเองก็บอกว่าอ๋อแล้วมันก็แค่นั้นพอหลังจากนั้นไม่เคยเห็นอีกเลยค่ะแล้วพ อ, อแต่เมื่อไม่มานานไม่ไม่เมื่อ ไ, ไ, ไม่นานมานี้ประมาณสองวันเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเหมือนกันแต่เป็นเรื่องอื่นแล้วมันก็คือมนมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นสัญญาเป็นความจำแล้วมันก็ขึ้นไปข้างบน หมายถึงว่ามันดีขึ้นไปมันชี้ให้เหตุให้เห็นข้างบนแล้วลงข้างล่างพอหนูบอกอ๋อปุ๊บเอ่อตัวหนูรู้สึกว่าออแล้วมันก็ดับไปปัญหาคือว่าหนูจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นของจริงหรือมันเป็นแค่อะไรเราอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะพระอาจารย์เหมือนจะเราเพิ่ฝัดไปอย่างเนี้ยค่ะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเมาให้มันเห็นว่าเป็นไฟลักไปเมาให้เร่อนไปในจางของ ของที่เกิดแล้วดับได้ใช่มมันมาแล้วมันก็ไปอนัตตาก็คือของที่เราสั่งสั่งมันไม่ได้ห้า ม, มไม่ได้ให้มองอย่างนี้จะดีกว่ามันจะจริงไม่จริงไม่สาคัญจะเป็นสัญญาเป็นอะไรก็ไม่สาคัญสำคัญว่าเราเอามองให้มันเห็นว่ามันเป็นตายรักเท่านี้ถ้าเราเห็นวาเป็นตายรักเราจะได้ปล่อยวางไม่ได้เปมีความอยากให้มันมาอีกหรือให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการ มันจะมาก็ป่านมันมามันจะไปก็ป่านไปก็เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปหลงยึดติดมาจะไปทุกข์กับมันจะได้ซ้าไปอย่างนั้นตอนนี้เราตอนนี้เราก็ทุกข์กับมันก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงใช่คือความอยากมันมันเยอะไงมันอยากรู้อยากเข้าใจมันคืออะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้ออย่างนี้ทอย่างที่ตายร่างหมดอยากจะรู้อะไรก็รู้มันเป็นตายร่างเท่านั้นจบ แต่ร่างก็คือมันเป็นบปรากฏการา์ธรรมชาติอนัตตาแปลว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติาตาตารราตแล้วมันก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันนะมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปเราอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดให้รหู้ให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางเท่านั้นเองฝึกปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สังขารร่านกายเราก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ วันหนึ่งมันก็ต้องแก่เก็บตายไปเป็นธรรมดาทุกอย่างที่เกิดแล้ว้าต้องดับเพราะมันเป็นตายรับทั้งหมดเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะอนุโมทนสาสาธุข้าพาจ้าข อ, อบอพระคุณค่ะตอนนีน้นั่งอยู่ข้างข้าใครยคุณสวิสาบา <laughs> งพรอาจารย์หนูค่ะาวิสาท<ม>าพระอาจารย์กลายเป็ น, ปนวิสเร์ลนด์แล้วเหมย ค่ะกลับได้มาอาทิตย์นี้ที่ที่สองค่ะพระอาจ า, ารย์พอดีไปถ่ายรูป ก, กับคุณคุณฮานยิมนะเลยอ้าวทาไมพระอาจารย์เห็นล่ะคะอ้ามีสายรับส่งรูปมาให้ดู <laughs> พอดีโยมมาทําบุญมีมีพระจากอ่าอ่าที่ที่วัดอของหลวงปู่ชานเนี่ยค่ะโยมก็เลยมาทําบุญที่วัดธรรมปาระแล้วคุ ณ, ค, ณคุณฮานเกเน็ต ก, ก็เลยมาคี่นี้คุณฮานก็บอกว่า คุยคุยเสร็จคุน้องอ่ะเดี๋ยวส่งรูปให้แม่ชี้เมียค่ะคุณนั้นก็เลยมาขอถ่ายรูปก็ส่งรูปไปตอนน้วมก็ใชว่าถยรูปเยอยมก็เลยอาทิตย์นี้หลังจากอาทิตย์ที่ก่อนหน้านั้นยมก็เลยพอดีจังหวะช่วงนี้ที่วัดว่างยมก็เลยขอมาปฏิบัติอ่าปิดวิเวกอะค่ะสามสามคืนค่ะพอดีก็เลยมาเจอน้องก็เลยคุยกันก็เลยบอกว่า ก็เลยให้น้องฟังพระ้าจารนนะค่ะน้องเขาก็เลยสนใจวันนี้ก็เลยอาศัยน้องมาเข้าสู่ให้น้องถามคาถามกับอาจารย์คุณก็เจอกันอยู่ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นวัดอะไรว่าธรรมภาระนี่แหละค่ะว่าธรรมปาระค่ะอาจารย์ของหลุงพ่อชาใช่ยามก็มีที่ที่ก็มีที่พักให้พักได้ะ ค่ะพระาจานทร์ที่ที่คุณเคนม า, าพักเหมือนกันนะคะค่ะที่เวลามาปีวิเบกค่ ะ, คะมีคุณครอดีเขก็อยากจะม า, าพักหรือยังยังคุณครอรู้สึกว่าเ้าก็มานะคะคุณคร อ, อดีเห็นคุณเคนอบอกค่ะค่ะก็คือคือมันจะแบ่งถ้าเิดเต็มก็ที่วัดก็ไม่ได้รับอะคะอ่ะก็คือรับจํานวนจํากัดแล้วแต่ช่วงอะค่ะ ก็คือถ้าเกิดห so so huh? <tra> ้องว่างหรือว่าถ้าเกิดมีช่วงที่เขามีคอสปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องบางทีท่านก็ไม่ได้รับก็คือต้องรู้ว่าบ่างช่วงไหนอะไรยังไงค่ะก็เลยปฏิช่วงนี้ก็เลยว่าันนั้นก็ถามที่นี่ว่ามีว่างไหมโยมก็เลยเออได้สามวันมาปิดวีเวกส่วนน้องเขามากี่วันเออจะมาได้ครบมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วอะค่ะแล้วกลับวันศุกนี้ก็คืออยู่ให้ครบปอาทิตย์่ะค่ะ ก็ดี <G ills> อยู่ใกล้ๆอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆกับวัดถึงนะว่าอ๋อไมค่ะหนูอยู่เจนีวาค่ะอเจนีวาใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เนยสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งค่ะก็ดีได้มีโอกาสได้นนมาอยู่วัดปัที่สงบก็ดีนะค่ะค่่ก็วันนี้ได้ถา ม, ถา ม, ถ, ามถามตอบพอใจหมโอ้พอใจมากค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะป้ง พยายามไม่ให้ความอยากมันออกไปเพ่นพ่านเลยไม่งั้นมันเยอะได้ต้องมีกรอบให้มันรู้ว่าบอกทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะได้ไม่เสียใจต้องไม่ให้มันเลยดีกว่าเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากมันเป็นตายรักทั้งนั้นมันเป็นัอนิจจังลัต่างๆทั้งนั้นเองถ้าไม่อยากได้จดีที่สุดจะได้ไม่ทุกข์เพรามาถึงแม้ว่าจะได้มามันก็จะต้องทุกข์เพรามันจะต้องมีการพัฒนาจากกันต่อมาอยู่ดี พระอาจารย์คะขอความกรุณาเลยค่ะมันเป็นเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะที่มันอยากให้มันมีความเพอร์เฟกความปรเพชสัมันเป็นกิจมันเป็นติของเราเลยมันติดมาเป็นนิสัยมันติดมาเป็นนิสัยเรามองไม่เห็นตายรักเราก็เลยหลงถ้าเราเห็นตายรักเราเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอืมไดค่ะสาธุสาธุขอสุขี โอเคนะถ้าอยากจะถามก็เข้ามาได้ทุกวันพุธนะค่ะใช่โอเคเดินไปที่รักเสมอขอบคุณจ้ะคุณทวิษสาไม่มีคําถามอะไรใช่ไหมมีไหมไม่มีคําถามเี่เหลล่ามไปอยู่อไปที่รักเสมอคุณปุ้ยตอคุณปุ้ยเดินปุ้ยได้ยินไหมคุณปุ้ย มันไม่ได้ได้ยินเจ้าค้าผ้าจารย์กลับนมัสการค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีแต่ว่ายมจะน้อมนําบุญมาถวายผ้าจารย์เจ้าค้าถวายไม่ได้หรอบุญใครบุญมันอย่าไปหลงครับอ <c oughs> ย่างก็ไม่ต้องเรา<ม>คนเดียก็ไม่ต้องทําบุญเนี่ยล้วทําคนเดียวแล้วก็ไปถวายจากให้หมดเลย โยมก็ยังไม่ขายดีอยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็สวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิของโยมอาจจะย่อนหน่อยแต่ว่าโยมนั่งเช้ากลางวันโยมนั่งเช้ากลางวันเย็นค่ะโยมติดตามพระอาจารย์ตลอดอไม่ได้เกเรเหมือนเดิมพระอาจารย์กลางวันศีลเจ็ดกลางคืนศีลแปดพระอาจารย์อย่างนี้ก็ถเทวเกเรไม่กเกเรมั้ง โยมโยมไม่เกเรสำหรับคกยังโยมย่อนย่อนนิดเดียวพระอาจารย์ทำไมไม่เอาให้มันเข้มข้นไปเลยให้มันเต็มไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวล้างกายแข็งแรงก่อนพระอาจารย์ไม่เพราะว่าโยมไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโยมฉีดวัคซีนหรืออะไรมาพอโยมเป็นโควิดครั้งนี้ มันเป็นแรงและอีกอย่างหนึ่งคือมันมันมาผสมกับไอ้โรคภูมิแพ้ด้วยไงฮะ hmm. แล้วพอเดินออกไปนิดนึงยมก็ไม่สบายอีกแล้วพอหายมาหายมาได้สามวันยมเป็นอีกแหละมันจะเป็นอย่างเนี้ยด้วยเลยอื hmm. แล้วหมอที่นี่เขาไม่เหมือนหมอเมืองไทยอ่ะหมอที่นี่เขาพอพอบอกว่าตอนเนี้พอพูดว่าโควิดเขาบอกโอ้สบายมากอยู่ยุยยุก็ไปไอ้ฉันเขียนอยาไม่ให้อยุยฉันส่งไปถึงที่บ้าน อไอยู่ก็ไปซื้อยากินแค่นี้เขาไม่ไม่มีการตรวจไม่มีอะไรเลยอ่ะพระอาจารย์เมื่ขารู้โลกก็เป็นอะไรก็ไม่ต้องตรวจเลยใช่โยมก็เลยลาคาญบางทีโยมไม่อยากไปหาหมอโยมก็เออดทนเออใช้ธรรมะใช้ธรรมะอาศนี่วระใช่ค่ะโยมก็ฟังพระอาจารย์เ ม, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมก็นั่งสมาธิช่วยคะเบเกอร์นี่ปะ ความเฉยอาจจะเกิดก็เกิดใช่ค่ะยมก็ไม่ไม่มีอะไรมากเออยมก็ขอให้บารมีของพระอาจารย์ช่วยเหลือให้โยมได้เดินทางธรรมได้ตลอดรอดฟังนะคะพระอาจารย์ก็อยู่ที่ตัวเราแอ้วนะอยู่ที่ตัวเราแล้วจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตัวเราอัตตาเห็นตโนธโยย่าโยมปุกตัวเองทุกวันเลยโยมบอกตัวเองว่าห้ามขี้เกียจห้ามขี้เกียจ นี่ไม่เพราะว่ากลัวโยมกลัวแบบมันมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีนู่นมีนี่ด้วยแล้วเดี๋ยวพอยมเปิดา ป, ปุ๊บจะมานังน่งฟังสวดมนต์ปุ๊บอาจจิตไปตรงนู้นและจิตแวบไปตรงนี้ยม ก, กลัวจะเกเรค่ ะ, คะ<ม>แต่ก็คิดว่ามากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยมก็โอเคแล้วค่ะนะคอระวังว่าไปตลอดรอดฝังนะค่ะสาธุค่ะบาอาจารย์ขอพรหน่อยสิอ่าพวงนี้ใช่ไหมพวกนี้หวยออก ไม่ทำไม่รวยอ่อไม่กล้าซื้อเลยง่ายขอน้มน้มถวายขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะด้ายค่ะยมจะปฏิบัติทุกวันค่ะขอให้คุณพุ่เจริญในทามและเจริญในทางแลอทางเริ่อด้วยนะ่้าขอบขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะ คุณนิสาต่อบคุณนิสาเอก่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะมาะรายงานค่ะอาทิตย์นี้ก็มีชนะกิเลดบ้างค่ะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วคือแพ้ราบคาบค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นี้ก็มีสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์กลับมาเหมือนกลับมาเริ่มใหม่เลยค่ะพระอาจารย์ การปฏิบัติก็แบบนี้แหละมันน้มลุกคุกขานไปไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องท้อแท้เวลาถ้าเกิมันล้มกันลุกขึ้นมาสู้ใไปต่อค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าต้องกลับมาใช้พุทโธมากขึ้นค่ะพระอาจารย์อืค่ะรู้สึกว่าค่ะก่อนอาทิตทย์ที่ผ่านมาพยายามก่อนหน้านั้นคือมองคื อ, อลมหายใจนี้แบบจับไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยคิดว่าสงสัยสติน้อยอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยกลับมาใช้พุทโธก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์อืมแต่ดูสตินี่สําคัญที่สุดถ้ามีปัญหาอะไรก็คิดว่าเราขาดสตินะค่ะยามดสติกลับมาค่ะก็ค่ะก่อนที่จะก่อนที่จะไปใช้ปัญญาต้องต้องมีสติก่อนค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนี้ตอนนั่งสมาธิก็ใช้พุทโธแรกๆค่ะพระอาจารย์ ก็ตอนรู้สึกว่ามันดีกว่าตอนคือตอนนี้เหมือนกับสติเราไม่ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะคะพระอาจารย์ก็ทําให้แบบลมหายใจมันจับยากค่ะพระอาจารย์ในระหว่างที่นั่งสมาธิค่ะก็เลยในระหว่างนก็ต่อยอสติเห็นากมากด้วยนะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะอยากจะสติอยาจะรียสติเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิดังนั้น ค่ะยามจะรย์บ่อยๆช่วงที่เรายังไม่ได้มานั่งก็ต้องคัดเจริญมันเรื่อยๆนะค่ะบางทีลูกก็ใช้การดูร่างกายะค่ะอาจารย์ดูแบบเวลาดูดูัดูมือค่ะดูเท้าค่ะแล้วก็ดูมือเวลาจะไปหยิบจะอะไรก็จะบอกยามตามมือตัวเองค่ะกำลังทําอะไรอยู่มันันนี้กันค่ะอยู่โรงงานที่เราทําอยู่ค่ะอาจารย์ก็ช่วยได้เยอะมากๆค่ะอาจารย์เี่ย ค่ะตัวค่ไปที่คนโอพีเคต่อผู้เก็บน้องกลับนวัตกรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะวันนี้ได้ ย, ยินชัดเจนจันดเีนเจ้ค่ะก็กำลังเจ๊ข้อสอบอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจาร <laughs> าย์ผ่านไม่ผ่านเก้ <laughs> นิ่งๆอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ก็มีนิดหน่อยพอดีว่าหลานชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเป็นลูกของน้าอะไรเงี้ยเขาปูกคอเจ้าค่ะพิจารย์แล้วก็ไปเจอศพเมื่อวานนี้เจา้าค่ะอ mm hmm. พอพอเห็นในเฟซพอดีหลานอีกคนนึงเข้าลงอ่ะนะคะลูกก็ประหใจตัวเองอย่างเงี้ยเจาย้าค่ะก็คืออันนี้จังใจรักไม่ขึ้นนะเจ้าค่ะพิจาร ย, าราารย์แต่คิดว่าน่างกายที่ตาย ที่ตายคือร่างกายเขาอะไรเงี้ยเจ้าขาพารยจันท<ถ> <มา S 2> ร, ร์ที่หมายมันก็เท่าใช่คือว่าโดนขี้มะนาวน้ำลมไฟใช่เจ้า่าพาะจานทร์คือสิ่งที่ตายคือร่างกายเขาที่เป็นธาตุสีอิทธิน้ําลมไฟอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ตายหอหลานไม่ได้ตายคือใจเข้าไปต่ออะไรเงี้ยเจ้าขาพระจานทร์แต่มันมีมันมีตรงที่ว่าสงสารเขาจ้าขาพระจานทร์เกิดความสงสารที่ว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเขาตัดสินใจทําแบบนั้นไปอะไรเงี้ยเจ้ม แต่ตัวเองคือน่าเ <N Q. S 2> สียดา ย, าายมีที่พิ่งมีที่เพิ่องกำบังเสริฐก็ไม่ไม่สนใจเข้าหาอันนี้แหล ะ, เ ป, ะ, ะ, ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนที่ไม่ไม่ไม่ไม่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนที่น่าสงแพน่าสงสารมากในลูกสงสารเขามากเจ้าค่ะระอาจารย์เพราะว่าเขาอยู่ที่น่านใช่ไหมเจ้าค่ะเขาช่วยดูแลตากับยายอย่างเนี้ยค่ะเขาดูแลยายอุ้มยายอาบน้ําป้อนข้าวทากับข้าว ให้ตากับยายที่บ้านเจ้าค่ ะ, ะาอาจารย์ตอนกลับไปน่านก็ยังแยแยเขาเล่นอยู่เลยเจ้าค่ะก็ยังไปแย่ไปนั่งทีกับเขาเลไอย่างนี้นเจ้าค่ะแต่พอเมื่อวานก็คือเห็นข้อความว่าเขาเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้นค่ะก็แต่ตัวลูกเองก็พอพอจะนิ่งได้อยู่เจ้าค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรอย่างนี้นเจ้าค่ะโทรไปหาหลานก็สงสารคอานอื่นเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาร้องไห้กัน โทรไปหาหลานที่เป็นพี่สาวเขาก็ร้องไห้กันมากเลยเลยนะจ๊ ะ, ะขาพเจาพราะเขาสนิทกันเลยนะจ๊ะอืม น, นี้แหละความแตกต่างระหว่างการมีปัญญากับไม่มีปัญญามีปัญญามันก็ไม่ทุกข์ไม่ชศร้าเพราะมันรู้อะไรเป็นอะไรว่าโชคดีว่าข้าพเจ้านี้นมาโดยตลอดเลยเจ้ะคะเาค<ช>่ะพิจารณาเรื่อง เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดอะไรเงี้ยจ้าค่ะอาจารย์คือเมื่อวานเนี้ยลูกก็ยังพิจารณาอยู่นะจ้าค่ะเพราะว่าไม่ไม่ที่บ้านอะ่ะเขาไม่ได้มีใครโทรมาบอกจ้คะว่านั่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้าอะไรเงี้ยพอดีเมื่อวานลูกไปวัดด้วยจวว้าค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเวลานั่งเจริญหรือว่าสติอะไแต่ใช้ปัญญาพิจารณาแป๊บหนึงอะไรจ้าค่ะแล้วเมื่อวานมันก็เจอเหตุการณ์อะไรที่บอกว่าจะให้จะให้กโกรธก็ไม่โกรธอะไรเงี้ยจวว้าค่ะอาจารย์จะไปวัดพอดีสายก็คิดว่าเออ ไม่เป็นไรกัเลยอยากไปอยากให้ทันทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันแล้วก็พิจารณาปดีไปเห็นธรรมะของหลวงตาเจ้าค่ะพระอาจารย์หนังสือแอลยัคตาสติเจ้ค่ะให้เรื่องมันก่อนลูกก็นำมาพิจารณาเรื่องหลวงตาท่านเทียบว่าอ่าร่างกายเนี้ค่ะท่าสีดิน้ําลงไปเนี่ยที่มันประกอบด้วยท่าสีดิน้ําลงไปมันแค่มาผสมกันพอพูดคําว่าผสมเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเช้าค่ะพระอาจารย์ลูกนึกไปถึงขนม ที่มันก็เป็นส่วนผสมของธาตุสีธาตุดินน้ําลงไฟหรืองสคาอาจาร์ที่มันมีแป้งก็เป็นธาตุดินอะไรเยอะค่ะมีน้ําตาลมีนมอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาเตาออกมมีธาตุไฟใช่เจ้าค่ะแล้วจริงๆตัวขนมก็ไม่มีอย่างนี้สค า, าวาอาจาร์มันก็เป็นธานดินน้ําลงไฟในะรูปแบบหนึ่งค่ะเจ้าค่ะก็เลยเอามาเทียบกับร่างกายแล้วว่าจริงๆร่างกายเราก็ไม่มีใช่ไหมสคาวาไฟจาร์ าไม่เป็นตัวตนไม่แค่ดินน้าลงไปมาผสมกันอันนั้นแหะสัมมาทิฏฐิปัญญาอนัตตาไม่มีตัวตนนะค ะ, ะ, คะก็เลยเห็นเห็นตรงนี้ชัดขึ้นเนละเจ้าข<ม>้าพเจ้าพอมาเจอเหตุการณ์ตอนสายๆก็เลยก็เลยขึ้นมาทันทีว่าเขาไม่ได้ตายหลาไม่ได้ตายในใจเขาไปต่อที่ตายก็คือแค่ร่างกายเขาอะไรงน<ม>ี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยทําให้เรานิ่งได้เจ้ขจาข่าอาจ้าเนี่ย ตงสารคนที่บ้านอะย่างเดียวค่ะต้องดูคนที่กล้าใช้กลามากกวบานี้ว่าจะรู้สึกอย่างไรมันต้องเ<ช>หมือนกันทุกคนเพราะทุกคนแค่แค่นิ น, น้ำหนะุนภัยนัใช่ใชค่ะมันก็เป็นเหมือนข้อสอบที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนะจ๊ะค<ม>่อาจารย์อืไม่แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันคะเราก็ต้องคิดถึงร่างกายของเราด้วยถ้าเกิดมันดีกันดีหมอบอกอยืนน้นไม่เกินสามเดือนเนี่ยมันก็จะได้ดูว่านี่เป็นข้อสอบของเราแล้ว <ม>ก็พยายามพิจารณาตามที่ท่นานอาจารย์แนะนําอย่จ้าค่คะว่า嗯嗯คิดว่าเราเป็นโรคมะเรง็ง<ม>ลูกก็พยายามคิดเลยเจา้าค่ะพอดีว่าลูกเคยเป็นเนื้องอกใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดเน้ ง, ง, งอกออกไปแล้วก็ตอนนี้ร่างกายก็มีผิดปกตินิดหน่อยเจา้าค่ะก็พยายามพิจารณาว่าเออเราเป็นมะเร็งอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจะรอว่าไปตรวจตอนไหนเจ้าค่ะอาจารย์ท่านเตรียมมาพร้อมไหมพร้อมที่จะให้มันค่ะเออพร้อมที่จะให้มันแยกตัวออกจากกันไหมในน้ำน้ำไฟกะค่ะ แต่เรื่องเมื่อเกติดเรื่องเวทนาเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จริ ง, งจริ ง, รงเรื่องดังให้มันเจ็บแล้วก็ช่วยามใช้คำบริกรรมใช้การสวดอะไรถ้านั่งแล้วดูลงแล้วมันอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องพากลาอะไรให้มันทําไปเลยก็การฌานที่สองไปก็ได้เพราะช่วงก่อนก่อนหน้า น, นี้ก็มีสู้กันไปหลายยกเหมือนกันเจาค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลยมาพักช่วงนี้ก็เลยพักไปเกาะ อ, อย่างนี้เจ้าค่ะ ต้องพยายามทำเงินต่อไปก็จะทําได้วารพยายามอยู่ที้ไหนกามสําเร็จอยู่ที้นั่นสาธุเจ้าค่ะโอเคนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจ้าค่ะอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเจ้าค่ะมากบ้างน้อยบ้างตามสติกําลังแล้วก็สถานการณ์ที่จะเอื้อเจ้าค่ะดีขอบพระคุณท่านพระเจ้าอยังสูงจ้าค่ะค่ะอาจารย์ร้อยี่สิบปีนะเจ้าค่ะเราสองร้อยสี่สิบเลยก็ได้อาจุเธ้าอย่ารจั เดี๋ยวพึ่งทีลูกศิษย์นะเจ้าค่ะตอนนีม่เลี้ยงแม่เลี้ขาเราะคือไ่ยังสมนะคะคุณจีมบพร้อมหรือยังเข้าการนัดมัธยมกันค่ะพระอาจารย์ใจ่ามาสิยอมจ่ายแล้วค่ะแต่ว่ายอมรอเขาถ้าได้คืนนะคะแต่ยอมรออยู่เพราะว่าของยอมมันมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่า อ่าโยมยาใช่ไหมคะแล้วต้องเคลมลูกอะไรอย่าค่ะมันก็มีปัญหากับพ่อของลูกนิดนึงเรื่องว่าต้องเคลมประกันอะไรประกรันฉประกันสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยพอ ม, มันมีปัญหาเราส่งยื่นไปที่เขาเรียกอะไรค่ะสรัพย์ปกันใช่ไหมคะมันก็ทำให้มัน RS ม, ม, มันก็เลยต้องติดปัญหาอีกนิดนึงนะค่ะปกติเขาควรจะได้แล้วแต่โยมก็เออช่างมันเถอะ ถึงเวลาได้ก็ได้เองเน่ยไม่เป็นไรหรอก อ, อนี่ค่ะอย่าไปอยากมากเกินไปใช่ค่ะก็เลยใช่ค่ะก็ดีกว่าที่เราต้องเสียเพิ่มะะมาค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบสร้างบันเทอเท่านี้ก็ยังไงก็ใช้ชีวิตให้สุขสงบได้ว่าเหนื่อยแล้วก็วความอยากเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์พูดกับญาติทินทาคนอื่นเรื่องความอยากนะคะโยมก็แบบเ อ, อิจริงๆถ้าคนเรามันไม่มีความอยาก ชีว exactly. ิตม <M> ันจะเรียบง่ายแล้วก็มันจะพบทางสงบสว่างจริงๆค่ะเดี๋ยวมันก็ไม่อยากเรื่องของตัวเองมันก็อยากอยากเรื่องของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายายเรื่องที่เราอยากอยากไปเรื่อยๆใช่ค่ะแม้แต่อยากอยากให้จิตใจสงบมันก็อยากนะคะแต่เออมันเราแบบมันไม่มีมันไม่หยุดจริงๆในความอยากของเราเนี่ย ก็เลยต้องแบบต้องแก้ไปเรื่อยๆค่ะบาอาจารย์ต้องแบบ mm hmm. ค่อยๆเอาปัญญาเอาสมาธิมาช่วยผมมันไวเองย่างเงี้ยค่ะบาอาจารย์่ะ mm hmm. บาอาจารย์สบายดีนะคะ yeah, สบายดีะ่พระอาจารย์ะคะถ้าอย่างอย่างเมื่อเช้านี้ค่ะโยมเพิ่งตอบคำถามอ a l u เ t ชัน hmm. ของพนักงานที่เขาทำเก้าสิบวันนะคะ mm hmm. เขาก็จะถามว่าคนที่ทำงานเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะเขาเป็นคนน้องคนนี้เขาก็ทำงานไม่ไม่เคยมาตรงเวลาเลย แต่โยมก็ไม่อยากจะเขียนลงไปเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราคิดว่ามันก็ปรับปรุงได้แล้วบริษัทก็ไม่ได้มีการตอกบาทอะไรใช่ไหมคะถ้าโยมก็เลยเขียนแต่ในสิ่งที่เขาทำงานครบถ้วนสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ไม่ได้โกหกใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ได้โกหกเพียงแต่เราไม่ได้พูดทั้งหมดซึไม่มันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎบังคับให้เราจะต้องพูดทั้งหมดค่ะ ค่ะก็คือเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ที่ไม่ควรก็อยากอยากแบบก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กหอนะครับแม้เทว่าผิดสิ่งตอนนี้อะไรสิ่งใดที่เราไม่ได้พูดที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการความจริงเราก็ไม่ได้โกหก ค่ะค่ะค่ะก็ยมก็ไม่อยากให้น้องเขาเดือดร้อนเพราะเขาก็เพิ่งเริ่มงานยมก็นึกถึงตัวเองนะค่ะถ้าแบบอย่างเราอยากให้ใครมาประเมินเราก็อยากให้เขาประเมินในสิ่งที่เราดีเหมือนกันอะไรงใช่ไหมคะยมก็เลยปรับเตอมไม่เป็นไรหรอกเอาเท่าที่ทําได้เพราะบริษัทไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเขาเสียหายกคงบุญเองเนี่ยะค่ะก็ดีมีความเมตตามีความเมตตาสงสารค่ะยมก็นึกถึงตัวเองนะค่ะพระอาจารย์บางครั้งคนเรายังเด็ก เพจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้เขาใ ห, ให้โอกาสเขาถ้าเขาผิน <c oughs> อย่นี้แต่ในความผิดเขาจะเป็นผู้ที่จะลงโทษเขาเพราะโยมไม่ได้เป็นหัวหน้า ง, งานเขา่าค่ะโยมแค่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทํางานร่วมกันแต่หัวหน้า ง, งานเขาก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าน้องเขาเป็นยังไงร็ขอาบพระคุณครัอาจารย์ขอบอาจารย์ทัดแันแข็งแรงนะคะอ่สาธุจ้าค่ะ อใช่คุณสุภาจารย์ช่คุณสุภาจารย์นุ่มขาวขาวหรือยังไงกลับแล้วชจับผูอาจารย์เจ้าค่ะอ๋อลูกมาแคมป์ปิ้งเจ้าค่ะอก็มากางเต็นท์แล้วก็ตามีเขาก็อยู่รถบ้านของเขาเจ้าค่ะก็มาแคมป์ปิ้งมาท่าไทยประมาณสองอาทิตย์เจ้าค่ะะลูกอยู่ข้างนอกสองอาทิตย์เลย ไม่ไม่คือตอนกลางคืนลูกเข้ามานอนที่รถเจ้าค่ะแต่ว่าตอนกลางวันลูกจะไปนั่งที่เต็น์เป็นไปเอาความสงบอยู่ที่เต็นต์คนเดียวอชอบเจ้าค่ะจอบเจ้าค่ะก็ออกมาท้าทายบ้านเจ้าค่ะอยู่บ้านก็ออกมาแคมป์ดีกว่ารถนี <c oughs> ่รถนี่เป็นเป็นแคมเปอร์รถใช่เจ้าค่ะเป็นปเทรลเลอร์รถบ้านเจ้าค่ะเป็นมีมีที่นอนอยู่นะ เจ้าค่ะก็มี ม, มีที่ทําอาหารมีโต๊ะมีห้องน้ําอะไรงเงี้ยเจ้าค่ะเหมนบ้านเคลื่อนที่นะเจ้าค่ะก็มันก็หลังก็เล็กๆดีเจ้าค่ะแล้วก็คุยกับสามีว่าจริงๆมันเราอยู่แค่นี้เราก็สบายดีเนะม <c oughs> ไม่เห็นต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายก็มี <c oughs> วความสุขดีเจ้าค่ะเจ้า<ม>ค่ะก็ก็ทําให้เขาแบบค่อยๆเปล่าให้เขาเห็นชีวิตที่มัน อะไรอะเรียบง่ายอยู่ง่ายๆเจ้าค่ะน้อยสันโดษมัน้อยสันโดษเจ้าค่ะก็ต้องออกมาแบบนี้บ้างจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยมันมันมันง่ายง่ายมันส่งอยู่ีห้ใจมันสงบไม่เครียดจากเงื่อนงำต่างๆเจ้าค่ะแล้วก็ทําความสะอาดมันก็ง่ายกว่าทําความสะอาดที่บ้านเจ้าค่ะมันมันแค่ถูดิดเดียวมันก็เสร็จแล้วมันบ้านมันต้องทําอะไรเยอะดูแลเยอะ ก็ค่อยๆกล่อมเขาไปเรื่อยๆว่าเราอยู่แบบนี้มันก็ง่ายดีนะเขาก็เดี๋ยวเขาก็คงที่รนตินที่รันินย้ายไปไหนมาไหนก็ง่ายด้วยนะอยากจะไปไหนก็ไปได้เจ้าค่ะลูกก็บอกเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเจอโทรเนโดหรือเจอเฮอริเคนมาเนี่ยเราก็ลากไปเลยมันก็สะดวกดีนะมันไม่ต้องไปยึดติดกันอยู่ที่ไหน แล้วแล้วมาอยู่อุทยานอย่างเงี้ยมาอยู่สเตปพาร์คอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องดูแลป่าเขาก็มีคนดูแลอยู่แล้วเราก็แค่มาจอดเราก็เราก็<ม>ก็ <laughs> สบายดีเนาะเ<ม> <laughs> จ้าค่ะก็ ก, ก็มาทัดทายเจ้าค่ะก็มาอยู่ในเต็นท์ก็มีสัตว์เยอะแยะดีก็ก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้านเจ้าค่ะ้<ม> <laughs> ค่ะ อาสนุกไม่ม mm ีคำถามเจ้าค่ะวันนี้ลูกขอมาร่วงฟังได้อะไรเยอะมากเลยเจ้าค่ะวันนี้อย่าสารเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไปที่คุมาลีต่อคุนมาเลพุทธากากรุงเทพก่อนทำลมกลับหลวงพ่อค่ะนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะเพิ่งกลับมาจากนครนายกค่ะหลวงพ่อวันนี้วันนี้หยุดหนึ่งวันแต่ว่าเมื่อหนูกลับไปบ้านนครนายกเมื่อ เมื่อคืนค่ะก็ไปปฏิบัติที่เรือนที่หนูทำไว้อ่ะค่ะอตอนนั้นคืนก็ปฏิบัติแล้วก็อ่อช่วงเช้าก็ไปถวายอาหารที่วัดแล้วพอเสร็จหนูก็นั่งปฏิบัติต่อที่วัดอย่างเงี้ยค่ะหล่อก็ไม่มีอะไรชีวิตก็เน้นแต่เรื่องเนี้ยคะหลวงพปฏิบัติอ่านเรื่องการปล่อยวางมากน้อยสันโดยค่าหรอไม่รู้ไม่อยากได้อะไรอยู่ตามมีตามเกิดไป ค่ะก็ทยอยข้าวของอะไรที่ที่มีก็พยายามเอาออกแล้วอะค่ะหลวงพ่ออไม่มีมันก็สบายไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาดูแลค่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็ที่เรือนที่ทำเอาไว้ค่ะก็จริงๆก็อยู่ได้นะคะหลวงพ่อเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยหนูก็นอนที่เรือนมันก็ฝั่งเล็กเล็กมันก็ไม่มีอะไรมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีอะไร ง่ายๆอย่ายงเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อก็ดีเนี่แหละหลักของการปฏิบัติมากน้อยสันโดนยค่ะแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยก็พยายามลดลดน้อยถ้าไม่กินไม่อยู่ก็ไม่ต้องซื้อมาสะสมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็พยาพยามพยายามพยายามลดแล้วก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่ อ, อดีค่ะโอเคสําคัญที่ใจนะปฏิบัติที่ใจเป็นหลัก ก็ภูมใจให้นี่ยงให้สงบไม่ให้หิวไม่ให้อยากกับสินน่งต่างๆค่ะหลวงพ่อโอเคนะท่านี้ก่อนนะ ค, ค, ค, ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะคอะที่คุณเบิ่มต่อคุณเบิ่มมีที่ไหนกอนคุณเบิ่มปไปได้ยังได้อหอใช้พูได้นะพูดได้นะครนะับน้ำสกัดครับอาจาร ช่วยพูดใกล้กลๆมาหน่อยนะเสียค่อยไปหน่อยโอเครับได้ยินไหมครับอ่าได้ยินพูดดงังๆหน่อยธรรมศาสการครับอาจารย์คือผมอยู่ผัดใหญ่ครับอ่มีอะไรจะถามไหมนี่ครับเจ <น S 2> อคำถามก็คือความทุกข์ที่เข้าไม่ถึงใจเป็นเหมือนลมร้อนที่มากระทบเมื่อลมร้อนหมดก็ไม่รู้สึกร้อนและสัญญาที่ทุกข์ใจ เมื่อเกิดเกิดเข้าก็เข้าไม่ถึงใจผมผ่านตรงใจอีที่มาแล้วครับต้องปราวนาอย่างไรต่อครับครับก็ต้องให้ใ ห, ให้ให้มันไม่เกิดความทุกข์กันเลยทำใจให้สงบลดความอยากตัดความอยากต่างๆเพราะเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราเกิดจากความใจที่ไม่สงบพยายามทําทใจให้สงบแล้วก็คอยห้ามความอยาก ถ้าเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องค้นหาเพราะว่ามันเกิดจากความอยากอะ ไ, ไองแล้วพยายามไปตัดความอยากมันั้นให้ได้แล้วความทุกข์ก็จะหายไปเข้าใจไหมพอเข้าใจครับจริงๆแต่ ว, ว่าเหมือนกับผมนี่ถ้าเป็นเมะ ก, ก่อห น, นี้สัญญาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นะครับผมก็ อ่าสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมานี่ผมก็จะจะมีไฟปยาบาดอยู่ภายอยู่อยู่ภายในอครับทีนี้พอหลังจากที่ว่าได้ปภาวนาเมื่อปีที่แล้วก่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไฟปยาบาตรไม่มีเลยครับเพียงแต่ว่ามันมีสัญญาทุกข์ขึ้นมามันก็มีแค่ดูเฉยๆนะครับหลวงป่อก็ถูกต้องการภาวนา<ๆ>ก็เพื่อทำใจให้เราเฉยไม่ให้รักไ ม, ไม่ให้รักชังกลงัวหลวงครับก็ก็เลยก็เลยงงว่าเออเหมือนกับยังไงอ่ะ เกับถ้าเกิดว่าอืมตอนนี้นั่งสมาธิบ้างเดินอยู่ผมบ้งคือเอช่วงช่วงช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมภาวนาเนี่ยรู้สึกว่าใจมันจะดิ่ดติ้แล้วได้ยินเสียงมันตรงตามมหาพัวเนี่ยสอนทาด้วยครับบอกว่าเนี่ยตั้งใลงมาเป็นสี่ใจมันดิบมันทิ้นเห็นไหมนั่นแหละใจมันใจมันดิใจมันดิบมันติ้เนี่ยครับหลวงพ่อทีนี้ผมก็นั่งสมาธิแล้วนี้ใจติ้นมันก็หายไปความรู้สึกสุขที่กลางอกก็เข้ามา เจ็บขาก็ทุกทีนี้มันก็มันก็มีตัวเสียดูยทั้งสองตัวครับทีนี้ทางหลังจากนั้นมันตันกเปลี่ยนเลยมันลิกไปเลยครับผก็ครับอา่าก็ดีแล้วเนี่ยอย่าให้ ม, ทมาทำต่อไปนย่ามาทำต่อไป อืมครับไม่ได้ยินคาพูดคำพูดใชยหายไปใช้าหายไปโหลโหลครับหลวงพอ่อพูดได้ไม่ยินนะ้ครับก็เหมือนกับเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยผมนั่งสมาธิใช่ไหมครับหลวงพอ่อเออผมนั่งสมาธิไปแล้วผมก็ได้ยินหัวใจเนี่ยมันจิดมันดิ้นก็ได้ยินเสียงเสียงหลวงลวงตามาบอกท่านมาเต้สอนทำเมาเขาว่าเนี่ยดูดูมันสียใจมันติดมันดิ้นเห็นไหม ดูที่ใจมันน่าอะไรใจมันดิบมันดิ้นถ้าผมก็นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งเพราะใจดิบใจที่มันดิบมันดิ้นนี่มันหายไปพอใจดิบที่ดิบมันดิ้นพอใจที่มันดิบมันดิ้นนี่มันหายไปแล้วความรู้สึกที่สุกมันก็ออกมาตรงกลางหน้าอกอะครับส่วนขาที่ว่าเจ็บเนี้ยก็รู้สึกก็รู้สึกเจ็บขาเหมือนกันแล้วแล้วผมใช้ก็เรียกว่าอะไรมันจะมีเฉยตัวเฉยนี่จะดูทั้งตุกทั้งตุกครับผมก็ครับอันดี้ ปฏิบัติเพื่อให้เราวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่ง ต, ต่างๆที่มาสัมพันธ์สรัอยูุครับหลังจากนั้นก็พลิกเลยครับผมก็สมาธิหลังจากนั้นก็ไม่ก้าวหน้าครับก็ไม่ทําต่อไม่ทำต่อไปเทาไปเรเ่อยๆแล้วอย่าไปอยากให้มันเกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้งไปให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกแล้วพุโทโธไปอะไรจะเกิดก็ไมว่ากันไปแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกัน ครับได้ครับโอเคนะขอบคุณครับนะดูอนะไปที่เป็นอานาหลวงเจน ก, ก็จะมาอืมน่มััการครับพระอาจารย์น ไ, ไม่ได้เจอกันห <laughs> ัาสัปตา์เลยคะที่ที่แล้วเข้ามาสงสัยพอเข้ามาปุ๊บมีคนบอกไฟดับก็ล เ, เลยออกไปมาเจอ อ, อีกที อ้าวทำไมอาจารย์อาจารย์มีไลฟ์ไปด้วยมาเจอตอนหลังแล้วท่านเสร็จโต้นครับอืมเอมอตอนต้นไฟดแบบับแล้วต่อมาไฟมันติดนี่ก็เลยใช่พอดีไม่แล้วแล้ก็ไม่ได้ทําเป็นแบบโน้ติไฟก็เลยไม่ได้ทราบว่ากับเข้ามามาทราบตอนเสร็จแล้วมันขึ้น y o u ูทูบเห็นเป็นเรคคอร์ดก็เลยเอา้เอาว อ, าอาตอนแรกหมดไฟดับออกงกแล้วแล้ ว, ลลวก็แบบเข้าไปได้ยินท่นนิดนึงว่ามี คนดึงไฟมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับเลยบอกว่าโอ้เสียดายยังบอกเด็กๆ เ, เลยว่าอาทิตย์ที่แล้วตั้งใจจะต้องเข้ามาเล่าให้พระอาจารย์ฟังเลยเลยบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ต้องเข้ามาเล่าว่าไปวไปพอดีไปวดัดมีเออ่ไปวัดมาครัพระอาจารย์แล้วก็มีลูกแมวเราเห็นลูกแมวมันวิ่งวิ่งเล่นอยู่ตัวเล็กๆ ล, ลูกแมวเนี่ยเราเห็นวัดเนี่ยเราเห็นมาแล้วว่ามันมันรอดมาจากการถูกหมากัดแล้วก็เออเอมันก็ มันก็ดูหน้าหงสารมันก็วิ่งเล่นอยู่ตรงเรานั่นแหละเราก็ยังแอบถ่ายวิดีโอมันไปให้น้องคนนึงที่เขาชอบแมวมากจะเขียนไปบอกเขาว่าเออเนี่ยเอามันกลับไปอยู่ด้วยไหมใดถ่ายเพิ่งถ่ายไปได้สักนาทีเดียวเองพี่อาจารย์แมวมันก็วิ่งวิ่งอ่ะมันเป็นแมวน้อยมันวิ่งออกไปตรงลานหินรถกรบะรถกระบะถอยมาทับมันทับมันตรงนั้นเลยพี่อาจารย์ทับทับมันต่อหน้าต่อตาคือเหมือนเราแบบอืเออ เออเราแบบตกใจคือคือเหมือนกับมันเหมือนอันนี้จังมันโผล่ขึ้นมาเลยัองเราคือเขาเพิ่งวิ่งแล้วเราเพิ่งถ่ายวีดีโอแล้วเราแค่หันหลังมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่ะแล้วคนก็ตะโกนว่าแมวแมวแมวแบบว่าทับแมวทับแมวมันก็ดิ้นดินสักพักแล้วมันก็มันก็ขาดใจตายตรงนั้นเราก็ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันแล้วเราก็ถามตัวเองว่าจริงๆเรายังไม่ได้ คือมันยังไม่ได้ผูกพันเลยประอาจารย์สิ่งที่สิ่งที่ลูกมองเห็นคือมันเราจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยแหละเราแค่เห็นเขาวิ่งเล่นเนี่ยแต่ทําไมเราถึงเราถึงสะเทือนมากมันมีความสะเทือนเกิดขึ้นว่าแบบสงสารขึ้นมามากนะอาจารย์เหมือนกับว่าุแบบทําไมมันน่าสงสารขนาดนี้หรือทําไมคนขับรถถึงไม่มีความระมัดระวังขนาดเนี้ยมันแบบมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาตรงนั้นก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆเรายังไม่ได้รู้สึกจริงๆเขากับเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเราแค่เห็นเขาแต่ทําไมเราถึง เราถึงมีความรู้สึกอย่างเงี้ยก็เพิ่มขึ้นมาหรือสะเทือนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าากน้อยใจเรายัางไม่พร้อมที่จะรับความตายไม่ได้อืไม่รู้จะไปมันจะต้องเกิดขึ้นกับใครใกล้ไม่ใกล้ใกล้ตัวหรือไม่ใกล้ตัวไม่ไเห็นความตายมันก็อาจจะทําให้เราเกิดอา ก, การอย่างนี้ขึ้นมาได้อื ม, มจะเป็นอย่างนั้นเร า, าก็แบบอุบเบกหายังมีน้อยไม่พอที่จะวางใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของอุเบกขาใช่ไหมจ๊ะใช่ อืมมันก็เลยแบบว่ามันแล้วงั้นสติไม่มีสติป่อยให้ใจมีปฏิกิริยากับเหตุการ์อะอ๋อนะคับตอนแรกตอนแรกก็แบบลูกก็ไม่ค่อจะว่เอ๊ะทําไมล่ะเราก็กไม่ได้นอกจากเขาก็ยังไม่ได้ขเขาไม่ได้เป็นแมวของเราด้วยนะคือเราก็ไม็นแค่คุปตะมาเออแล้วทําไมเราต้องรู้สึกสะเทือนนากความความตายมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจของทุกคนไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร ได้ค่ะแล้สิ่งที่เห็นถัดมาก็คือตอนเขาเป็นลูกแมวเขาเพิ่งมึมเมื่อกี้ใครๆก็อยากจะเล่นกับเขาเพราะเขาก็ดูน่ารักแต่พอแค่ลดทับเขาก็ขาดลมหายใจเท่านั้นเะฉะนันเหมืนเขาใกล้เป็นปฏิกูลที่ไม่มีใครอยากจับเลยเพราะฉะนั้นทุกคนทําท่าเหมือนมืนแบบน่ารังเกียจแล้วก็เอากระดาษทิชชูมาจับเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขึ้นมาเมื่อกี้เขายังเป็นลูกแมวที่ใครๆก็อยากเล่นแค่ลมหายใจขาดออกไปเท่านั้นแหละทุกคนแบบเออ ถ้าเกี่ยวกับว่ามันเป็นสรากศพขึ้นมาอย่างนี้นะท่านอันนี้จางมันเปลี่ยนแปลงจากหน้าร่างกายเป็นหน้าช่างไว้ได้อย่างรวดเร็วใช่เพราะตรงนี้คือชัดมากจนแบบ ม, มันมันแบบไม่เที่ยงอ่ะคือเห็นความแบบเปลี่ยนวแบบัดสิ่งนี้เลยภาษาหนูก็เลยว่าสงสัยตัวเองว่าเออแล้วทําไมเราถึงสะเทือนมากขนาด น, นี้คือแล้วเราก็ตตำแหนิคนขับว่าทําไมถึงไม่ระวังระวังเราทําใจไม่ได้ไมายังการเบิกขาอยู่ ยังมีปฏิกิริยายังมีความรักชังอยู่อ่อืมก็เลยว่านักแมวแต่ช่างคนครับที่ทําให้แมวแตายแล้วถ้าข้าก็มาคิดได้ว่าเออแต่แมวมันก็มันก็ไม่ถึงถึงเวลาของมันต้องไปไหนี้า่างเเบกค้าก็กลับมาใหม่ใช่ค่ะก็ก็คงถึงเวลาของเขาแหละเขาก็โรอดจากมากัดแต่ก็ถูกเขาก็จะต้องไปแสดงว่าเรายังมีสติดึงใจให้กลับมาเป็นเบกค้าได้อยู่ ออ่ืมเนียแต่ว่าไปจังหวัดตรงนั้นแหละที่เราก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะมาเพราะว่าแค่คิดว่าเดิมอันนั้นฝ่ายสติสติไม่ทันอาจจะตกใจเพราะตอนแรกคิดว่าจะเกิดแค่แมวที่เราเลี้ยงไงเพราะฉะนั้นตอนแรกคิดว่าคือมันต้องเป็นของที่เราผูกพันนะเช่นถ้าเป็นแมวเลี้ยงมาแต่นี่มันมันชัดจนตกใจว่าเออเป็นแต่ของที่เราไม่เลี้ยงมันก็ยังสะเทือนใจเราได้ อช่ค่ะเพราะว่าเคยใจได้จนอาจจะใช่แล้วมันหมแบบแล้วก็เอ๊ะนี่เราไม่ได้เรี้ยมันแต่ทําไมเราถึงสะเทือนใจได้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เห็นชัดดีค่ะอนิจังคือมันเห็นแวัดเดียแล้วก็ลงไปแบบดิ้นปตรงนี้อเห็นทุกครังใจเรายังทุกอยู่อือใช่ค่ะก็ดีอะก็เอามาตอนนี้อก็เป็นเหมือนแบบเป็นบททดสอบที่มันไม่ได้ตั้งตัวอยู่ดี ข้อสอบมันจะมาแบบที่เราไม่ ไ, มไมด้เตรียมตัวเราจะผ่านไม่ผ่านแล้วก็จะรู้เองแต่เราก็เห็นของความเกิดดับกระ ด, ดัว่ า, า, าความรู้สึกอย่างนั้นแหละมันเกิดตรงนั้นนะแล้วเดีมันพอมันดับไปเราก็เนี่ยอย่างวตอนนี้จริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเอาเรื่องเนี่ยลองามาสอบถามท่านอาจารย์ดูว่าทำไมน่ตรงนั้นเราถึงเป็นแบบนั้นเพราะนั้นขาดสติอุเบกขาไม่มีก็เลยมี ความเศ้าขึนนะมานางรัสเซีเตือนใจขึ้นมนะาเาชอบที่ท่านว่าแบบ เ, ร า, เราก็เลยเกิดความรักในแมวคืออาจจะสงสารแล้วก็เลยไปชังอืมอืมยังไม่มีโอเมก้าพออืมถ้ามีเก็จะใช้ๆก็ยังไม่ชังคนขับที่ทำให้แมวตายแล้วเราก็ไม่รักรัสเซเหมือนเป็นเรื่องก็เป็นเป็นแมวอย่างหนึ่งก็ไ้อาจจะใช่เพราะว่าแล้วก็มันก็ตรงนั้นก็มี ไม่ชีเลยอะยังต้องแบบโพลแล้วบอกโอ้ยมันตายอย่างเงี้ยบ่อยๆปกติแหละแต่หนึ่งนีง่ก็ว่าอุ้ยทำไมเขาไม่รู้สึกสงสารมันเหรอเขาเลี้ยงมันมาเหมือนเขาเาเป็นคนเลี้ยงไอพวกนี้มันมาเราจะมีโเบกขาก็ได้ใช่ไหมที่เหรู้สึกว่าเอาอดวงใจเราอาจจะต้องแบบอะไรสักอย่างอะ่ะรู้แล้วรู้แต่ว่ามันมีความไม่ปกติของจิตเนี่ยแต่ว่าไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั้นเองอ่า บา่างตัเนี้ยก็เลยอว่าเออมาถามท่านก็เป็นข้อสอบเล็กๆค่ะอืมว่าก็คงต้องแบบให้สติแข็งแรงเลยเพอท่านอธิบายก็เห็นว่าโอ้นี่แบบอุเบกขาคือเราต้องนิ่งมากจริงๆแม้กระทั่งเห็นเหมือนแบบเนี้ยเออตายแมวก็แทบตายตรงนั้นอืมไม่ว่าใครจะตายก็ตามเราต้องเฉยให้ได้หมดเลยอืมดีแหละอันนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อ บททดสอบนี้กันเลยรู้ว่าต่อไปถ้ายิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยคงจะต้องมันก็จะเริ่มยากขึ้นกว่านี้อีกมากๆแน่ๆเลยครบอาจารยก็ต้อบ่อยๆเช็นบ่อยๆเต็มตัวให้กันส้างให้ก่อนอได้คราจัรนก็มีวันนี้ยมาเตรียถามมาเล่าให้ฟัง อ, ะอ่ะนี่ถ้ามันไม่มีข้อสอบเราเราก็จะไม่รู้ว่าภูมิคุ้มกันของเรามีมากมีน้อยพอหรืยอยังใช่ครับอาจารยบางทีเราต้องหางานให้อ่ะเหมือนกับ ง, ง, งานหากันบ้านให้มันทำเพราะบางีเราไม่รู้จริงๆ ได้ต้องมีข้อสอบมาทดสอบใจเย้ได้ครับอาจได้ครับอาจารย์ก็เนี่ยค่ะไม่มีอะไรเล่าไว้ฟังเรียนถามท่านดีค่ะก็เลยได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของสติที่ไม่ผิวไม่แข็งอุเบกขาที่ไม่ดียังไม่แข็งแรงพออืมฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆเลได้ครัอาจารย์ได้ครัอาจารย์นี้มีเท่านี้ค่ะอ่าเอาทิ้งนะคุณนัดขอบคตัวจาร ตัวหน้าตาค่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะครับนมัส ก, การครับพระอาจารย์ครั บ, รรบอ่าวันนี้ก็มาร่วมฟังธรรมครั บ, รบ ไ, ดได้ข้อคิดได้ข้อคนะิดเยอะค่ะได้นําไปปฏิบัติค่ะอาจารย์อ่าดีสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะเดินไปที่คุณตายต่อคุณตายวัฒ ย, ยาน้ำเก่านมัสการพระอาจารย์ เป็ายังไงตอนนี้ปฏิบัติเยอะป่ะก็ผ่าการปฏิบัติคับพระอาจารย์<ม>หลังกลับมาก็มุ่งแต่ทํางานเพราะลกน้องยังกลับมาไม่ครบเลยครับอาจารย์<ม>แต่ก็วันนี้เห็นเพื่อนๆ เ, เขามีว่าผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างยงก็มันนึกย้อนตัวเองโยงก็ผ่านผ่านเรื่องความโกรธเรื่องความโมโหทาข้อสอบผ่านหลายเรื่องหลายราวอยู่ค่ะพระอาจารย์ อันนี้ก็เพราะว่ายมจริงๆแล้วยมเป็นะคนที่มโมโหมากแต่ว่าเรื่องบางเรื่องยมผ่านมาผ่านมาได้รู้สึกว่าเออเราก็ผ่านข้อสอบนะถ้าเราไม่เจอของจริงถ้าถ้าเรายังโกรธอกีกมันก็คือแบบเราก็สอบตกแต่อันนี้ยมมันนึกถึงตัวเอง ส, สองสามเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ยมก็ไม่มีความโกรธก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตัวเองได้ รู้สึกว่าก้าวพ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสงบนิ่งขึ้นแล้วก็ใจเย็นลงค่ะพระอาจารย์ก็ดีแสดงว่าเราก้าวหน้านะ้วใชค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะก็อย่างประมาณอย่างประมาณก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆว่ายืนเมืป็นหลายวันก็อาจจะถอยถอยหลังได้เจ้ค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรคะ่ะแต่รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองที่ว่าก้าวพ้นความโกรธที่ตัวเองแบบเคยมีเป็นเป็นคนที่รุนแรงอะคะ่ะพระอาจารย์แบบ<ม>ขีโ้โมโหมากนิดนึงก็ขีโ้โมโหแต่ว่า<ม>อันนี้ที่ที่ยมว่าโยอมก้าวผ่านนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่พอมสมควรแต่โยมกับรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอมอ่าก็ก็ยอมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ให้ยอมรู้สึกว่าถ้าเรายอมรู้สึกว่าคําอคําพูดของพระอาจารย์ก็จะผุขึ้นมายอมหยุดเย็นและทุกอย่างก็เย็นแล้วเขาเขาก็จะมีความเกรงใจเรามากขึ้นถ้าเรายอมเขาถ้าเขา<ช>ถ้าเขารู้สึกผิดแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเราเรายอมเขานั้นแล้วเขาจะรู้สึกผิดแล้วก็กลับมาขอโทษเราอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ใช่ถ้าเราทำติวเราก่อน มื่อเราชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะคนอื่นได้ใช่ค่ะยยมก็เนี่ยค่ะคําสอนของพ่ออาจารย์ที่ที่ได้รับฟังมาก็เอาไปน้อนําไปปฏิบัติทุกครั้งแม้มว่าโยมจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าสมาธิหรือว่าอะไรแต่ว่าโยมก็พยายามรักษาใจแล้วก็เอาคําสอนของพ่ออาจารย์น้อมนาเข้ามาปฏิบัติตลอดอย่างนี้มันจะก้าวหน้าแบบนี้ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ ก็นจนกว่าจะเราจะไปสอบตกเมื่อไหร่แล้วถึงจะรู้ว่ามันกำลังเอนจจะยังไม่พอไม่ได้าาอาจจวกาจจะต้องไปฝึกสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อกี้พ่อจ่าบอกว่าเรื่องอุเบขาโยมก็คิดว่าโยมยังมีอุเบขาไม่มากพอเพราะว่าเวลายมนึกถึงการสูญเสียการจากไปของแบบว่านึกถึงว่าถ้าแฟนตายไปโยมจะเป็นอะไรไหมลูก โยมตายไปจะเป็นอะไรไหมแค่พูดเสียงยมก็สั่นเื่นนักตายยมก็ขอแล้วอาจารย์ก็เอมันมันมันแยกมากแตยยังต้องทำโอเบิรคาให้มีมากขึ้นค่ะก็คือคือต้องนั่งสมาธิใช่ไหมคะพวกโมเบิคาจิจะเกิดให้จิตนิ่งสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้อืมค่ะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นข้อที่ยากมากๆเลย เพราะว่าโยมลองแล้วโยมลองหลายรอบแล้วที่พ่าอาจารย์พูดพูดมาในซูมหลายๆครั้งว่าถ้าเราเอา่อพอนึกถึงความตายแล้วมันจะสะเทือนอารมณ์หรือเปล่าโยมก็พยายามนึกถึงว่าถ้าโยมสูญเสียแฟนสูญเสียลูกโยมก็พอพอนึกขึ้นปุ๊บน้ำตามันก็อ๋อไม่ผ่านแล้วโยมก็เลยอ้อนปากแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำเร า, าเองถ้าเกิดไม่สบายแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือแค่ สองเดือนสามเดือนเนี่ยเาทำยังไงแต่แต่เรื่องเรื่องเรื่องตัวของโยมเนี่ยโยมก็คิดไว้แล้วว่าโยมคุยกับแฟนตลอดถ้าว่าถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าโยมแบบไม่สบายโยมแบบต้องเจาะอใช่ค่ะพระอาจารย์อย่าไปอย่าไปใส่ท่ออย่าไปใส่อย่าไปยื้อชีวิตอย่ามาทำอะไรแล้วก็ถ้าโยมเป็นมะเร็งโยมก็บอกว่าโยมขอไม่ขอรักษานะเพราะว่า มันรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายยอมกลับไม่ห่วงตัวเองยอมไม่รู้สึกเสียใจถ้ายอมยอมตายแต่ยอมไปแบบไปถ้ายอมแฟนยอมตายลูกยอมตายยอมกลับเสียใจนี่มันทพร อ, อะไรคะพอาจารย์ทําไมยอมไม่รับตัวเองเหรอคะไม่ใช่หล่ะเพราะยอมยังอาจจะไม่ได้พิจารณาเรื่องของเขามากเมื่อก่อนนี้พิจารณาแต่เรื่องของเราเราก็รับเรื่องของเราได้แต่เรื่องของเขาเรายังไม่ไม่ไม่อยากจะพิจารณาแเราก็ยังรับไม่ได้ เราพยายามพิจารณาให้บ่อยๆให้มากขึ้นว่าเขาก็เ<ช>หมือนกับเราร่างกายเขาก็เหมือนร่างกายเราท่างขาก็จะต้องเจ็บไข้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันต่อไปมันก็จะรับได้ทั้งหมดเพราะมันเหมือนกันเนี่ยถ้ามองร่างกายถ้าเรารับร่างความเป็นตายของร่างกายเราได้เราก็ต้องรับความเป็นความตายของร่างกายของคนอื่นได้เช่นเดียวกันเจ้าค่ะเราต้องพยายามพิจารณาบ่อยๆ พี่วอาถ้าแฟนเราตายแ่นเราต้องตายแน่ๆไม่ชา้าก็เร็วลูกของเราก็เหมือนกันถึงแม้เขาจะอ่อนกับเราก็อาจะอจะตายก่อนเราหรือตายหลังเราก็ได้แต่แต่เรื่องความตายนี้มันแน่นอนกับทุกคนต่อไปมันก็จะมันก็จะรู้สึกเฉยๆได้ต้องพยายามพิจารณาบ่อยๆเจ้าค่ะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขาบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้ค่ะนอกจากว่าพิจารณาแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะต้องอย่าเพิ่งพิจารณาไปทําสมาธิก่อนแล้วออกจากสมาธิมาก็ลองลอ ง, ลองค่อยพิจารณาใหม่เยี่จ้ค่ะจะนะจะจ ะ, จะมีเวลานั่งสมาธิให้มากขึ้นครับพระอาจารย์อย่าอันนี้สําคัญนะก<ำ>ไม่ใช่ว่าปัญญาอย่างเดียวจะทําให้ใจไม่ทุกข์ได้นะ ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิมันก็ยังทําให้ใจทุกข์ได้อยู่เจ้าค่ะโอเคปัญญาฝึกสมาธิด้วยฝึกปัญญาด้วยสลับกันไป้ะค่ะพระอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะหมายที่คุณลูกตาลชมนาเรยเชิญคุณลูกตาลนามาสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหม ไม่มีค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคเอไปที่คุณปะนามต่อเลยคุณประนามเซฟแล้วใช่ไหมเอาเลยก่อนเอาไปไหนนะอยู่ด้านล่างครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยแาบสมักการ์ดค่ะอาจารย์อว่ า, อ, าอย่างไร เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้บททดสอบมาหลายเรื่องพอสมควรค่ะก็เริ่มจากร่างกายมันมีอยู่วันหนึ่งทำงานแล้วคอมันกระดูกคอมันก็ดังกลอกแล้วเสร็จแล้วก็ก็มีอาการหน้ามืดก็ยังอ่า ทรงตัวได้อยู่ระหว่างทำงานสักประมาณก็ก็อยู่อย่างนั้นนะคะก็ทำงานก็ยังคุยกับลูกค้าดูแลลูกค้าได้อยู่พอสักพักเริ่มรู้สึกเยอะเขาบอกเจ้าของร้านว่าพี่คะหนูกำลังจะบอกว่าหนูจะเป็นลมขอเขาจะโอเคแล้วสปีดตัวเขาัพแล้วหนูก็จ ะ, ะลดสปีดตัวเองลงแต่หนูก็ยังทำได้อยู่แล้วก็ดูสติไปมีสติในการทางานแล้วก็ ดูว่าร่างกายอ๋อร่างกายเวลามันเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ก็ได้ได้สติมากขึ้นในตอนนั้นนะคะแล้วก็อ๋อคนเรามันมีเท่านี้เองก็ระหว่างนั้นก็เจริญสติไปด้วยะคะ่ะหลวงพ่ออืมขอโทษนะคะเสียงแสงเข้าตาหลวงพ่อไหมคะ่ะเปาเปล่าแล้วมันมันมีอะไรที่มันเนไรค่ะเสร็จแล้วก็ ก็เป็นมาจนถึงวันนี้ค่ะแต่ว่าทีนี้มันมันได้ปัญญาตรงที่กลับมานั่งสมาธิเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็นึกถึงคำที่หลวงพ่อบอกว่าอ่านั่งไปเจ็บก็นั่งไปโอ้อันนั้นชัดเลยค่ะพอเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บแล้วขาทั้งร่างกายมันก็เจ็บนั่งจนมันมันรู้สึกว่ามันไม่เจ็บ่ะมันก็จะเข้าไปในความสงบแต่มัน มันก็จะสงบได้พักใหญ่เป็นชั่วโมงเลยอะคะ่ะในระหว่างที่หนูนั่งแต่พอออกมาก็เหมือนเดิมค่ะไม่ทันสติสติไม่ทันก็คือรู้สึกว่าใจมันไปเกาะกับอาการอาการปวดเหมือนเดิมแต่ก็ก็ก็ดึงสติกลับมาก็อยู่อย่างนั้นนะคะหลวงพ่อสู้มันอยู่ยางนั้นก็พยายามทำไปไเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะผ่านมันได้อย่างสบาย เจ้าค่ะสู้ค่ะแล้วก็มีเวลาอยู่กับตัวเองปฏิบัติมากขึ้นในระหว่างที่เจ็บป่วยดีค่ะรู้สึกว่าใจไม่ทุกข์กับมันแต่ใจอาจจะมีเรื่องอื่นโดดเข้ามาเกาะอย่างนี้การห่วงลูกห่วงหลานบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็พยายามพยายามละออกไปได้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในที่สุดทุกคนไม่ว่าใครก็ต้องตายกนะันหมดไม่มีใครยกเว้น เจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่าก้าวพ้นความทุกข์จากจากจากการเจ็บป่วยของร่างกายไม่ให้ใจทุกข์อันนี้คือโอ้พอทำได้แล้วรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไปอีกฝึกฝนไปอีกมีครูบาอาจารย์คอยเป็นกำลังใจคอยให้คำแนะนำคอยเทศอบรมสั่งสอนที่เราจะจะมา ทำเล่นๆไม่ได้แล้วนะมันบอกตัวเองอย่างนี้ค่ะหลวงพอ่ออืมได้ต้องทำจริงจรงิยังจังจะได้ผลถ้าทำเล่นๆมันยังไม่ได้ผลเละเจ้าค่ะโอเคนะขอ บ, บ, บคุณในความเมตตาของหลวงพ่อคะ่ะให้หลวงพ่อธาตันแข็งแรงให้เป็นกำลังใจให้ลูกหลานได้สู้ปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะ ถึงวันสุดท้ายรูปจะปฏิบตัติต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเจ้าค่ะ <ขอ S 1> ดีมากสาธุอาจารย์พระมรรคการประจันพระอภัยที่พระตองพระตองและในตองอ่าพูดได้เลยได้ได้ยินไหมครับหลวงตาได้ยินอยา่าชื่อเป็นพระแล้วเป็นเด่นเป็นพระแล้วครับหลานหลานมะเต๋อครับแล้วไหน แล้วบ้านเพอครับร้านแก๊สนะครับอ่าบวชบวชได้กี่วันแล้วลนะ่ะบวชบวชได้ได้เดือนกว่าแล้วครับที่เรบวชที่ปากใต้ใช่ไหมใช่ครับอชื่ออะไรต้องครับอ่าต้องใช่ไหมลูกต้อง<ช>ที่ขายมูเตะใช่ที่ขายมูเตะอยู่ใช่ครับโอเคมีมีมีจะถามหลวงตาหน่อยครับว่าบางทีผมผมออกจากลมไม่ได้ครับ เป็นยังไงออกจากนไม่ได้มันมันคิดอะไรไม่ออกครับอย่างเงี้ยอก็ไม่เป็นไรนั่งไปเพื่อไม่ให้มันคิดอะไรถ้ามันอยู่กับนมอย่างเดียวก็ดีไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ออกเองได้ตอนนั้นมันสงบมันก็จะไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆไปท่านหนึ่งให้รู้นมไปเฉยๆครับนม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเป็นปัญหาอะไร มบางทีเลื่อนเฟซมามาเจอนี่แหละครับก็เลยได้เข้ามาครั้งแรกนี่ครับปกติไม่ค่อยไม่ค่ยทดลองเข้ามาดีๆก็เจอเข้าพอดีเลยใช่ใช่ครับอ่าเราญาญาเก็ใส่บาตรทุกวันญาเขาก็เล่าให้ฟังว่าจะไปบวชมราก็ดีใจด้วยจะบวชอาทิตย์นึ่งแะครับแต่ไปไปมาๆว่าบวชเรื่อยดีกว่าถ้าบวชไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งรีบเสร็ไปถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องเสร็ก็ บวชไปเถอะดีไม่ดีอาจจะบวชไปตลอดชีวิตเดยก็ได้ถ้าเจอของดีแล้วมันจะไม่อยากจะสิ้นเลยใช่ใช่ครับเพราะว่านอกก่อนเราทุกเราคิดว่าคนอื่นทําให้เราทุกตลอดเลยหลวงตาแต่พอเรามารู้เองว่ามันเกิดจากเราเอางทั้งนั้นเลยเนี้ยอ่อาจะมาแก้ที่ตัวเรานี้ยแหละ ใ, ใช่ครับอืมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไปไเรื่อยๆครับแล้วที่วัดที่เราบวชนี่เขาให้เราปฏิบัติไหมมีเวลาให้เราปฏิบัติไหมครับ เขาไม่เขาไม่ค่อยนแำ้วผมจะมาปฏิบัติเองในกุฏิตลอดครับอือเองูจากวิธีปฏิบัติ น, ะนั่งสมาธิได้ใช่ใช่ครับแล้วก็นั่งแล้วก็ดูตาม u ู u ูบเนี่ยบางทีก็เปิดไปพวกอานาปานสติอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะเลยอ่ดีอย่างนี้เราสามารถแสวงหาอาจารย์ใน y o u t u ู e ได้มีอาจารย์หลายหลายรุนะ่นหลายองค์ได้กันครับอืม ถ้าสงสัยแล้วก็ไปค้นหาในยูทูบในอินเทอร์เน็ตได้ว่ผมจะถามใครมันกันครับหลวงตาเราก็อยู่คนเดียวของเราเนี่ยครับม็บบเข้ามาที่นี่ได้ทุกวันพุธนะทุกคืนวันพุธท่านจะมีมีประชุมวันสองทุ่มถึงประมาณสองทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันทุกวันพุธใช่ไหมครับเข้ามาถามได้ไนดะ้อยากจะถามอะนะื่อไหร่นะเดี๋ยวต้องต้องได้ถามหลวงตา บ, บ่อยๆนครับเวลามีอะไรสงสัยครับนี่ โอเคครับไม่ไม่บนั้นนะนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่หาดใหญ่เนะลยเพราะอยู่ที่วัทลุงครับวัทลุงนะโอเคใช่ครั บ, รบทำไมไปถึงบวชไปถึงที่นั่นรู้รู้จัก บ, บ้านที่นั่ น, นทางนี้ด้วยครับก็บอกให้มาบวชทางนี้ตอนแรกผมก็อยากจะบวชแถวบ้านเหมือนกันก็ได้อยู่แถวแถวบ้านด้วยไหนก็ดีบวชไกลบ้างก็ดีอย่างทีนะั้นไม่มีใครมารบกวนนะใชใช่ครับ เงียบเงียบก็มีคนแล้วก็อยู่ของเราคนเดียวมีพระเยอะไหมที่วัดพรก็ไม่เยอะเหมือนกันครับนี่เป็ น, นวัดบ้านหรือเป็นวัดป่าวัดบ้านครับวัดบ้าน<ม>แต่<ม>คนนป่าอย่างนี้ไม่มป่ า, ค, าครับความสงบไหมความสงบไหมเงียบไหมความสงบพอมีครับแต่เราต้องเราต้องไปหาเองครับบางทีมันไม่สงบเราต้องมาสงบที่ใจเราเองแบบนี้ครับบางทีเขา บางทีมันก็แบบว่ายังไงหลวงตาแบบเขาบอกเขาจะบูชาบูชาอย่างนั้นอย่างนี้แบบบางทีเราไม่ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เราไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรเราได้ครับพวกนั้น่ะพวกพความเชื่อไม่ความเ<า>ชื่อิทีนี้ช่วยเราได้ก็คือการนั่งสมายที่เนี่ยทีนี้เช่วยเราได้เยอะใช่คเพราะว่าอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันช่วยใครได้มันไม่ได้ไอ้นั่นนะครับแต่ว่าก็ามันเป็นความเชื่อของเขาแล้วก็ไอ้นั่นไปครับเขาก็ทําตาม ถ้าเขาไม่บังคับให้เราไปเชื่อเขาเก็โอเคนะใช่ครับอโอเ ค, อเคพยายามให้เวลากราการนั่งสมาธิให้มากๆนะครับเราศึกษาทาง YouTube ก็ได้อยากจะรู้อะไรก็กไปฟัง y o u ูทูบดูบางที re, เปิดพวกปฏิจจสมุปบาทอะไรผมจะดูแค่2องอย่างพาออริยรสัตติปฏิจจสมุปบาทนะมั 8, ่งแปดมาดูมั่งแปดด้วยนะ สติประธานสี่สติโอเคนะหาเจออย่าทำไม่ที่คุณกอฟต์ตอกอฟฟี่สุลัดธานนักมัธการครับที่ที่ภาคใต้เขาจะไม่ค่อยมีการปฏิบัติมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบเครื่องรางของของงลังอะไรเยอะครับมผมก็หาไม่ได้เหมือนกันถ้าถ้ารู้ เราลอยอยู่ตรงนี้บางทีมันก็ยากเพราะว่าเหมือนคนอื่นเนี่ยเขาจะแบบถ้าเป็นภาคเครื่องวัดสุโมงคลอะไรหมดเลยซึ่งผมก็มีแต่ว่าเหมือนพอผมเห็นจุดตรงเนี้ยผมก็ก็ก็ไม่ได้ห้อยไม่ได้พึ่งพึ่งพระ้สึกว่าเราปฏิบัติมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าข้างในเรามีพลังมากกว่าง่ยก็เลยก็เลยถอดเป็นพระที่ที่โอเดอรให้มาของพระอาจารย์ต่างเนี่ยก็ก็ก็ก็ไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งสิ่งนี้คิดว่า การพ่งตัวเองนีส่สำคัญมากกว่าครับถูกต้องดีแหวละ่ะที่ได้มาสัมผั์กับบวาอาจารย์ได้ได้ศึกษาธรรมะพวกที่ไม่ได้ศึกษามากก็จะมากจะหลงกับเรื่องเครื่องรานของขันครับอันนี้มีอะไรไหมมีมีครับกคือมีมีประมาณนิดหน่อยครับอาจารย์คือตอนแรกเราก็ จะมีความอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออสิ่งที่น่าพอใจบางอย่างเราก็ต้องอดทนเพราะว่าแบบคือเหมือนอ่ะสมมติมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเราไปเราต้องให้สินบนเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้งานแต่ว่าถ้าเราให้งานต้องแบบให้สินบนด้วยอเงี้ยเราก็รู้สึกจำใจลําบากแต่ว่าเราก็คิดว่าแบบ เป็นค่าใช้จ่ายไปก็ล้องการคิดว่าเป็นค่าผ่านทางขึ้นทางด่วนก็ต้องจ่ายค่าค่าผ่านทางนี้ขึ้นทางด่วนได้ใช่ไหมครับใช่ก็ก็คิดว่าอย่างนั้นทว่าใจเราไม่ได้แบบว่าเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําบาปคนที่มันก็ทําผิดกด่อนจะเป็นคนทําบาปเองครับครับครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ นอกจากว่าเราไปนอกจากว่าเขาไม่แร้บเราไปขยันยอออขายามากชายเน็ต เ, เราจะบาปเลอยเป็นคนเอ่อถ้าทําเหมือนเราทําธุกรกิจถ้าสุดจิหมดเนี่ยเออเราก็อยู่ยากอเลยอาจารย์ไม่ได้อยู่ง่ายเลยต้องไต้องต้องเห็นธรรมมีคุณค่ากว่าสิ่งองื่นในโลกนี้สลักใหสระชีวิตเป็นรักษาธรรม สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็กในใจก็ก็รู้สึกว่าอย่างนั้นครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามเป็นความรู้เผื่อเผื่อคนอื่นก็ได้รู้ด้วยหมายว่าเราทํางานเงี้ยครับถ้ามีคนมาอิจฉาเราเยอะๆอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเราต้องทํำยังไงครับก็เหมือนพระพุทธเจ้าคนก็อิจฉาพระพุทธเจ้าก็มีอย่เราหามไม่ไ้ รเราไม่มีโอเบขามันก็ร้อนถ้าเราไม่มีโอเบคาเราก็เฉยได้อยู่ในโลกเราต้องอยู่ในถ้มกลางสังฆเสรนนินนทาเป็นธรรมดาเราเอยากแต่สังฆเสรนเอกแต่คนชอบเราอย่างเดียวไม่ได้หรอกคนที่ไม่ชอบเราก็มีเยอะแยะไปหมดเข้าแต่ว่าบางทีเขาคือบางทีเขาก็ชอบพูดอะไรผิดๆเพื่อให้แบบว่าคนแบบคือพูดอะไรที่มันเกินจริงซึ่ง แล้วห้ามเขาไปได้คิดอย่างนี้ครปากอทร์เราไมห้ามบังคับเขาไปได้ก็ใช่ผมก็ผมก็มีเบคขาอยู่ครับแต่ว่ามันยังไม่หมดครับมันรู้สึกนิดๆแต่ว่ารู้สึกน้อยมากเลยก็ต้องฝึกสมาธิให้ามากขึ้นครับก็ก็คิดว่าอ่าจะมีเท่านี้ผมก็จะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นครับโอเคสาธุไปเรื่องคุณประพันธ์ต่อคุณประพันธ์เช่น อยู่ที่ไหนเคยเข้ามานานแล้วเนะียห่าเงียบไปอัานไม่รู้ได้ไหมไม่ขอบคุโอเคพูดได้ละกราบนับพักการับพระอาจารย์ครั บ, รรบ อ, อยู่ข้างนอกครับผมมาจากคอตมครั บ, รบก็เคยเข้ามานานแล้วแล้วก็พระยะหลังก็ติดตามท่านพระอาจารย์อยู่โดยตลอดนะครับก็พอดีไม่ได้มีคําถามก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่วันนี้พอดีมีคําถามนะครับกราบนับพักการพระอาจารย์ เดินทางได้นะ ค, ครับตอนนี้พอดีมีโอกาสพา ล, ลูกชายไปฟังธรรมกับท่านอาจารย์ที่น่ากุตินะครับอก็เอ่อถึองเวลาลูกชายไปวัดเนี่ยก็จะเห็นสีเสือ้ออย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะกลัวแบบจกใจแบบมากๆากเลยนะครับหรือพวกประหลัดต่างๆห็นครับวันนี้อยากจะขอคำแนะนําำอาจารย์ว่าเอาจะ จะทำให้เขาดีขึ้นมุกนี้อย่างไรพุพอพอแร้วก็ตกใจหรือกลัวเนี่ยก็จะรู้สึกึสติต้่าฝึกสติท่าพุทธโทธสัมโมสังโฆไปนึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยจิตใจเราก็จะสงบแล้วก็จะไม่จะละเอาความกลัวได้นะหัดเท่าพุทธโทธสัมโมสังโฆไปหรือหัดฝึบุญอินติปิโสไปส่วนให้ชำนาญเวลาไปเจอ สิ่งที่ทําให้เรากลัว ก, ก็ส่วนไปภายในใจเลยหลับตาไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เรามองอย่าไปมองในสิ่งที่เรากลัวเข้าใจไหมครับเข้าใจอหมสวนส่วนแบบสั้นๆก็ได้ส่วนแบบยาวก็ได้สักสั้นกับพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆไป เพราะว่าอย่างลูกก็จะมีในลักษณะของปัญญาแต่ว่าเหมือนมีคันเร่งนะครับแต่อย่างที่พระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำก็คือเรื่องเรื่องเบรกเรื่องสติเรื่องอัเนี้บางทีเขาก็าอาจจะเหมือนกับเขาจะไม่ค่อยนิ่งหรับใช่เขาไม่เขาไม่เห็นความสำคัญเขาไม่รู้ว่าสตินี้เป็นสิ่งที่จนะทำให้ใจเขานน่นสงบไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ต้องวายาสายนองฝึกเขาชวยกขานั่งสมาธิทุกคืนเนี่ยตอนนอนก็ชวนมานั่งสมาธิกันสักสิบห้านาทีให้เขาสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้นึกจะดูลมหายใจเขาออกก็ได้ถ ok. ้ายังดูลมไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปภายในใจหมดเวลาที่นั่งสมาธินี่ย้วยการสวดแทนพุทโธใช้การสวดแทนดูลมหายใจก็ได้ไม่ใช่พุทโธคําเดียวก็ได้แล้วก็ชัถ้าก็ทำได้ ต้องหัดฝึกสติมัน ส, สมาธิแล้วตอนใบใจก็จะได้มีความหนักแน่นยังไม่ยังไม่ค่ยายเกิความกลัวสักหน่อยกลัวก็หยุดมันได้เวลาที่กิดความกลัวก็ใช้สติใช้พุทโธหยุดมันได้ต่อให้พอเขาเจอมาแลงที่เขากลัวเนี่ยอ่าใช่แ ล, แล้วเขาสวดไปในใจทําใจให้เนื่งต่อไปเขาก็จะไม่กลัว จะต้องฝึกไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกเวลาถึงเจอของจริงแล้วมันมันจะสวดไม่ออกมันจะพูดโธไม่ออกเอ็นถึงถงชวนให้มนั่งค่ะนั่งนั่งสมาธินั่งพุดโธวันสักสิบห้านาทีก่อนนอนก็ยังดีฝึกไว้ก่อนเตรียวไวมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนถ้าก็ายังนั่งรีไม่ได้ก็ตือสวมดมนต์ไปใช่ไหมสวดมนต์ไปก่อนนะถ้านั่งพุดโธไม่ได้นั่งด<ว><ว>ูรบไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ บางทีผมไม่น่าใจเรื่องการที่เขาอยู่กับเกมเนจะทําให้เขายิ่งที่ขาดสติไหมครับออยิ่งเล่นเกมนั้นแหละยิ่ใจยิ่งไม่นิ่งใหญ่เวลาเล่นกับเกมมันต้องใจมันต้องคิดปูงแต่งไปตลอดเวลายิ่งจะทําให้เวลามานั่งสมาธินี่ยทาให้ใจนิ่งได้ยากขึ้นเพราะเวลานั่นมันเหมือนใจมันเต้ยวไปกับเกมที่มันเล่นอยู่ นี่เวลาจะมานั่งสมาธิให้มันหยุดคิดเ น, น, นี่ยมันถึงจะยากแต่ก็ต้องหัดทำยากก็ต้องหัดทำไม่ได้ไม่ใช่นั้นแล้วมันก็จะไม่มีความไม่มีสตทิที่จะคอยย้ำย้มความกลัวเวลาที่มันเกิดขึ้นมาอ่ลูกถามว่ามันข้นอยู่กประเภทเกมไหมครับเ่นมัน ก, มนก็มันก็อาจจะมีบางเกมที่มันอาจจะเสนสติปัญญามาได้เช่นเกมที่ ให้เราใช้ความคิดเพื่อเสริมสร้างต่อสร้างก่อนนู่นก่อนนี่อะไรแต่มันก็ยังเป็นมันก็ยังทํา้องใช้ความคิดอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้ใจเราสงบไม่ได้ทําให้ใจเรามีกําลังเกมที่ดีที่สุดก็คือเกมพุทธโธนี่นแหละนังหลับตาแล้วเป็นเกมพุโทโธไปหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอันนี้ก็เป็นเกมอย่างเดียวกัน เราเล่นดูสิเกมนี้พระพุทธเจ้าเล่นมก่อนนะมัสนะอมพวกเราเป็นเกมเกมที่จะทำให้ใจเราสงบทำให้กิจใจเราเย็นทำให้ใจเราหายกลัวเราเล่นดูนะเล่นกับพ่อทุกคืนก็ได้ก่อนนอนนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดอะไรแบบดีั้ม อันนี้เกมหยุดคิดไม่ได้เกมเพื่อส่งเสริมความคิดเกมเกมเพื่อหยุดคิดนะครับบัจะลองไปเป็นผัดดูครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพราเราไม่มีปัญหาไม่มีทางทางเลยนะนี่เยอะแยะครับเดี๋ว่าให้โอกาสลูกดีกว่าครับโอเคครับนะลาวันนี้ก่อนนะเวลามันใกล้จะหมดนะมาที่คุณหมอคุณหมอณธรรมุ เป็นไงเป็นหมอทาก็สอบผ่านได้ยังผ่านแล้วนะสบายดีครับแม่ครับไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ก็เพิ่งกลับมาจากอินเดียครับไปสอนที่นุ่นมาไปสอนสอนเลยไปใช่ครับพอดีเขาเชิญให้ไปสอนทำหัตถการครับไ ป, ไปมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่ไปมาครับพอดีผมผมมีหัตถการที่ผมทําที่หลอดเลือดไปหักษารรมระดับสูงนะฮะแต่ว่าอตอนนี้ทางอเมริกาเขาเพิ่ง a p p r o v ทางอินเดียก็เพิ่งอ p p r o v e แก็เลย เราเราทามานานแล้วก็เลยให้เป็นไปช่วยสอนในเขาครับนะอืไปอะไรกันฟังพวกหมอด้วยกันเนี่ยใช่ครับใช่ครับไม่ได้ไปเจอหมอที่โรงพยาบาลต่างๆที่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาติครับอืมครับก็ในเรื่องวิทยาทานนะเรื่องวิทยาทานครับเ้าสอบก็ไม่มีปัญหาครับพอดีก็งานเยอะแต่ว่าก็เหมือนไใ้ครั้งที่แล้วที่อยู่ที่วัดมันก็เหมือนมันได้คําตอบว่าเออจปัญหาไม่ได้อยู่นอกมันอยู่ที่เรา คิด ใ, ใจและไอ้ไอ้ความทุกข์ส่วนใหญ่ก็เป็นสัญญาสังขารที่มันลากเราไปคิดนะอ<ม>ันนี้พอพอเห็นอย่างนั้นเราก็พอมันจะมาเราก็ไม่ไปยุ่งกันเราก็อยู่เราอยู่ที่ที่ที่ความปัจจุบันนะครับอมันก็ไม่ก็อะไรจะก็เกิดก็เกิดเราก็ปล่อยไปมันก็ไม่แน่ทุกอย่างเป็นอันที่ตังไวหมดครับฮก<ม>็ลเลยก็ลเลยไม่ไม่ไปตามความคิดแม่แล้วก็เออเขาทำก็มีอันอื่นที่มันต้องมาทำเพิ่มเติมอย่งวันนี้กลับมาก็ต้องไปเจออายการเจอแต่ว่าก็ ก็สบายครับมาทําไปตามที่ต้องทำครับในใจก็ปกติดีครับสงบดีอืมครับนวันนี้ไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่มีครับวันนี้ ค, ครับมาเรับอ่ียนไบที่ท่านต่อไปเลยนะ ค, คุณทิสติมาวันนี้เข้ามาสายฮนะกับมาสักการ์คร่ะอาจารย์วันนี้เข้าสายนิดนึงค่ะก็เลยลันคิวยาวเลย โอเคไม่มี อ, <า>อะไรไม่มีคําถามค่ะข้าก <Okay. S 2> ราบพรอาจารย์ค่ะอาจารย์น่าขายท็ ง, าางแล้นะคะเอย่าเอ็นไปที่คุณหมอสุนทรเสน่หมอมีอะไรไหมนาัสการท่านพอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามส้ะค่ะท่านระอาจาร okay. ย์โอเคยังไปที่คุณจอยจอ้ะจอยมีอะไรบ้างเมื่อเช้านี้มาใส่บานแม่มาจากที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่แม่อยู่แม่อยู่บ้านลุงแม่ทำงานอยู่บ้านลุงหุโขอยู่ บ้านใกล้ๆกับแม่คะ่ะแล้วคนละหลังกันอยู่ที่มัธยมนี่เลยใช่ใช่ค่ะอาจารย์เหมือนกันมีอะไรไหมไม่ไม่มีค่ะหนูเขามากราบพระจนะคะโอเคถ้าเวลาอนอนปฏิบัติได้ น, นะค่ะค่ะเอาแม่คะ่ะโอเคอ่าไปที่อาจารย์สายทิพย์อาจรสายทิพย์อนนี้มาอยู่ต่อท้ายแถวเลย ยานได้ยินไหมยังไม่เปิดไม้เปิดไม้หนอนอ่าดูได้น ะ, ะกาบน้มาสการพาาต ร, ตระอาจารย์ตุ๊กขาวันนี้ใช้มือถือะวันนี้ใช้มือถือค่ะเพราะว่าไปข้างนอกแล้วก็มาช้าก็เลยเปิดมือถือระหว่างเดินทางค่ะพระอาจารย์ก็เสียงดังดีนะเสียงมือถือน่าจะ ด, ดังดีค่ะอ่า <laughs> ตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิมีวันหนึงปวดหัวมากค่ะพระอาจารย์แล้วก็กินยายแล้วก็ไม่ไม่ลงก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็หายค่ะพระอาจารย์เหมือนจิตสงบ้าเลยโอ้นั่งสมาธิตอนที่ปวดหัวได้ติงจิตสงบใช้ธรรมะอุปสนด้กว่าธรรมะอุปสนได้มีประโยชน์กว่าค่ะแล้วมันมันก็ก็สบายเลยค่ะพระอาจารย์อะไรโออดีจัง อจริงๆมีคําถามพระอาจารย์ค่ะอ่ามาพระอาจารย์จะพูดอะไรหรือเปล่าคะบอกว่าพระทุดงนงองเนี่ท่านมาอยู่ในป่าท่านก็ไม่มียา ก, กินท่านก็ใช้ธรรมะ อ, อุปสนค่ะแต่หนูก็แอ บ, บกินยาไปอยู่ด้วยแต่คิดว่ายาไม่ช่วยค่ะพระอาจารย์ยาเอาเอาไม่ลงแน่นอนก็เลยนั่งสมาธิจนจนมันหายปวดเลยค่ะอ่าแล้วถูกต้องนะ ก็ที่หนูจะถามจริงๆก็คือจะถามไปอ่านเจอหลายๆรอบแล้วก่ะเรื่องของการซ้อมตายหรือเตรียมตัวตายตายก่อนตายอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำว่าทำอย่างไรหรือว่าวางใจอย่างไรค่ะก็คิดว่าเราเป็นโรคมะเรแลเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเนี่ยเหลือไม่กี่วันจะต้องตายเราจะทำใจยังไง ยอมรับความตายได้ไห ม, ไไมความตายค่ะถ้ายอมรับได้ก็สบายเสดงว่าเร า, เรายอมตายก่อนตายนะนี่เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะเมื่อคนเวลาเราตายแล้วเราก็เสียทุกอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมค่ะบ้านก็ต้องเสียไปพ่ อ, อก็ต้องจากเราเราก็ต้องจากทุกคนไปเราก็จะไม่ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลียเ่ยงไม่ได้ ถ้าเราถ้ า, าตายตายก่อนตายได้เราก็จะอยู่แบบคนตายเราก็จะไม่ทุกข์กับใครอ่ะค่ะหนูก็ซ้อมซ้อมคิดอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าตอนเราตายวันนี้เราเสียดายอะไรไหมไม่มีเ <laughs> <laughs> สียดายจะไม่ได้ทําอะไรไหมไม่มีเพราะงั้นก็ตายได้แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เราต้อง<ก>อยู่เขาเต้อ ง, <ๆ> อ, งอยู่แบบนี้ายให้ได้เวลามันเวลาไม่ตายก็ไม่เสียดายอะไรค่ะมัยังเสียดายอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ตายจริง อ๋อไม่ไม่ได้รู้สึกเสียดายก็คือตายก็ก็ตายไปเลยแต่ว่าตอนเดือดก็ทํำถ้าอยากจะถ้า อ, อยากจะพิูนว่าไม่เสียดาย <laughs> ก็เราเอาไปยกให้คนอื่นไปเลยโอเสียดายเนี่ยเสียดายนี่ก็แสดงว่ายังไม่เสียดา ย, อย <laughs> ตอนตายค่ะว่า <laughs> ไม่แสดงว่านี่มันเป็นเป็นแค่เป็นแค่สัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาแต่ <laughs> ถึงว่าตายแล้วก็เอาไปเลยแต่ <laughs> ตอนแรกมันต้องพิสูจน์มันต้องพิสูจน์ตั้งแต่ยังไม่ตายก็ต้องยกให้เขาไปเลย อที่เราไม่เสียดายก็เอาไปเลยอันที่เราไม่มีคอนจำเป็นจะต้องใช้เก็บไว้ทาไมก็ให้เข้าไปเลยเอาเอาไว้แต่เพื่อที่เราจะเก็บไว้ใช้ใช่ใช่ฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าาา แต่ใจยกให้นนะแต่ขอใช้ก nope> ่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ก็ไม่ได้ถ้าใจยกให้ก็ให้เป็เลยตอนนี้ก็คือเหลือใจแค่ที่จ oh> ําเป็นจริงๆริงถ้าคนตายไม่ต voilà> ้องการอะไรไม่ใช่หรือยังไม่ตายข่าวพระอาจารย์นี่วันหนึ่งหนูดูหนูดูข่าวพระอาจารย์ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ อายุ80ปีแล้วก็ปฏิบัติธรรมบ้างไปวัดบ้างแล้วก็วันนั้นเขาออกไปซื้ออาหารแล้วเขากลับมาบ้านแล้วก็อิสพิสตกตายค่ะพระอาจารย์เราเห็นเลขค่ะแล้วก็โอ้นี่ภาพของหนูนี่เองหมาย <laughs> ถึงว่าเราจะเป็นคนเราจะตายแบบนี้นี่เองตายแบบ <c oughs> ไหนไม่ก็ตายเหงงมือนกันอย่างไปดูที่รูปแบบมาดูที่ภาพตายถึงว่าเราก็คงกลัวการการใช้ <c oughs> ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อาจจะมีความสุขก็ได้นะั้นเราไม่รู้ค่อมีทุกข์แบบ ถ้ามีทุกข์ถ้าเขามีทุกข์ก็คงยังไม่อยู่คนเดียวนี่เขาอยู่คนเดียวเขาก็มีความสุขค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูจะอยู่กับเขาได้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยเหมือนแบบเอาไว้เป็นแบบจะมีคนใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ตายแบบนี้ได้แล้วก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเลยแค่การอยู่คนเดียวตายคนเดียวนี่ดีท่สุไม่ไปเป็นภาระของใครหนูก็เลยแอบคิดเล่นๆทำครับว่าไอดอลของเรา ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คงจะใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่ อ, อ, อยพยายามคิดถึงความตายอยู่เลยเสมิว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนนะถามว่าพร้อมหรือไม่วันนี้ถ้าเกิดเราจะต้องตายวันนี้พร้อมหรือไม่คิดไปเรื่อยถ้ายังไม่พร้อมแสดงว่าเรายังไม่ยอมตาย ะ, ะจริงๆทองทองห น, ห, น ห, นหนูพร้อมค่ะพระอาจารย์ ตายได้เลยมไม่ได้เกียดได้อะไรอื<ม>แล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมคิดเผื่อคนที่บ้านตายด้วยจะได้ติตที่มันเคยตกก็ไม่ค่อยตกแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ค่อยยอมรับได้ก็ต้องความที่จะสูญเสียอลายคนอะไรอยัางความเสียสูญเสียอย่าทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมันก็ต้องความเสียสูญเสียได้เอาไปท<ข>ําบุญซะมีอะไรที่เราไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เอาไปทําบุญ ขภดาต่าดีไหมดีค่ะแต่ตอนนี้ยังหางันเก็บเพิ่มเพิ่นนี่เลยยังโอกอยู่ยังยังยังไม่ยอมตายเลยยังยังยังเอาไว้เผื่อถ้ายังไม่ตายจะได้มีชีวิตที่อยู่แบบไม่ไม่ถูกข์ลำบากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้ายอมตายแล้วมันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วจะอดจะอดยาขาดกันเงยมันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วแสดงว่าอย่างมันมันมันขัดกันยัยถ้ามันยอมตายแล้ว แต่้ใจนึงก็ยังอยากจะอยู่อยู่อย่างสงบสบายอยู่ ม, มันก็ขัดกันนะมันแสดงว่าไม่ถ้ามันอยา ก, ถ, ายากถ้ามันอยากตายจริงมันยอมตายจริงมันจะอยู่แบบไหนก็ได้อืมไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะขนาดนั้นอาวันต่อ ว, วันอย่างถ้าตายแนละ้วเนี่ยพรุ่งนี้วันนี้จะมีอะไรกินก็กินไปตามมีตานเกิดไปไม่วิตกไม่กังวลกับการอยู่การการเป็นการตาย นั่นก็คือทาก็ทาไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอืมนะคะะาค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำนำมาปฏิบัติค่ะพระอาจารย์โอเคอ่าวันนี้แค่นี้นค่ะอ่าอาจารย์จ้าอ่าทไมจ้าจ้าจ้านะบ่ายๆ้ ย, ยังยังไม่ปิะกล่าวมาสการ์ค่ะพระอาจารย์อืมว่าอย่างไรมีอะไรไหม ค่ะพระเจ้าวันนี้หนู ม, ม, มีคำถามเรื่องการเอาสติมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพอดีหนูเพิ่งสอบตกมาสดๆเลยเมื่อคืนนี้ <c oughs> คือหนูโตมากับบ้านที่คุณพ่อเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็พอทันทีที่มีอะไรโกดนิดนึงปั๊บเขาจะแสดงความโกรดนั้นออกมาทันทีด้วยสีหน้าแล้วก็เสียงคธอจะตะโกนจะโวยวายจะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยหนู จะกลัวเสียงแบบนี้คือทุกครั้งที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นคือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในเรื่องเช่นว่าดูวิดีโอแล้วเป็นลักษณะคนทะเลาะ ก, กันหรือว่าเดินตามถนนแล้วมีโฮมเลสเตอรโกนบยไวอะไรเงี้ยจะหนูจะรู้ว่าตัวเองจะเริ่มใจสั่นๆอะไรเงี้ยค่ะที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคือนนี้อพาร์ตเมนต์ห้องข้างบนหนูค่ะเขาก็เป็นเสียงเนี้ยเสียงเหมือนประมาณคนทะเลาะ ก, กันอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็รู้ตัวละ ว, ว่าโอเคหนูต้องตั้งสติหนูก็เลยเอาสติมาคอยจับดูใจตัวเองคอยระวังไม่ให้มันสะเทือนให้มันนิ่งซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูทําได้ดีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็คือไม่ได้รู้สึกใจสั่นอะไรไม่ได้รู้สึกกังวลอย่างที่เคยเป็นแต่ว่าพอมันผ่านไปสักยี่สิบนาทีปรากฏว่าหนูปวดท้องซึ่งหนูรู้ว่า อาการปวดท้องของหนูามักจะเกิดขึ้นจากความเครียดของการได้ยินเสียงแบบนี้มันก็เลยทําให้หนูเป็นคําถามขึ้นมาว่าถ้าในเมื่อหนูรู้สึกว่าหนูมีสติที่จะเอามาจับใจของหนูให้มันนิ่ง่แต่ทําไมมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ร่างกายเราอ่ะแปลสภาพปวดท้องแสดงว่าจริงๆแล้วสติหนูมันไม่ได้จับไปที่จิตอะไรก็ไม่รู้ส่วนน้อยส่วนนี้ที่เป็นที่มันยังคงสร้างความเครียดให้หนูอยู่ อย่างนี้แหละค่ะหรือว่าคือมันก็มันยังไม่มันยังไม่อุเบกขาเต็มที่มันยังไม่ปล่อยวางเต็มที่มันก็อย่งี้อยู่ระหว่างต่อสู้กับระวางสติกับกับอารมณ์ยังต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นคืออย่างน้อยอาการที่เราเคยมีมันก็น้อยลงไปแต่มันยังไม่หมดอือค่ะแล้วที่นี้หนูจะต้อง ถ้าถ้าในเมื่อสติหนูไม่สามารถจับเห็นได้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วคือหนูจะไปต่อตรงนี้ยังไงล่ะคะเพราะว่ า, า ถ, ถ้าเกิดนั่งสมาธิไงนนั่งสมาธิให้จิตแ่งจิตสงบให้มันลืมเรื่องที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย mm hmm. แล้วเวลาออกมาจากสมาธิแล้เรามานึกถึงเหตุการณ์นั้นดูอีกทีดูซิว่ารู้สึกยังไงต่อมัน mm hmm. <Okay. S 1> คือ ค, คือเรามีสติแต่ยังมันสติยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ทำให้ใจนิ่งสงบเป็นอุเบกขาปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ยังมีสติพอที่จะต้านความรู้สึกที่วัดที่ห ว, วาดกลัวนั้นได้แต่มันยังต่อสู้กันอยู่มันก็เลยสร้างความความความรู้สึกเจ็บท้องขึ้นมานได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่านั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆสร้างอุเบกขาขึ้นมาในที่ เป็นปัญญาขึ้นมาเองว่ามันก็แค่เสียงไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไรถูกไหมค่ะก็ได้ถ้าเราถ้าเราใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นแค่บัเเนเสียงเอเป็นสิ่งที่เราก็คุมบังครับไม่ได้มันเป็นลอนัตตาเป็นเป็นภาพเป็นเสียงอะไรจะเกิดก็เกิดไปมันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะเมื่อคืนนี้ก็พอคุยกับเพื่อนเพื่อนก็พูดประมาณว่า ปัญหามันคือหนูว่าไปยุ่งเรื่องของเขาหนูไปฟังถ้าหนูไม่ฟังซะเอาหูฟังใส่อะไรเงี้ยก็จะก็คงจะไม่ถูกใจอะไรอย่างเแต่หนูอะไม่ได้ใส่หูฟังอะไรเงี้ยเพราะหนูอยากหนี้อยากฝึกว่าเราจะผ่านไหมเพราะปกติอะมันจะใจเต้นแต่เมื่อคืนนี้หนูก็ตั้งใจเลยตั้งใจเลยกับไม่ไม่ไม่ใจเต้นไปกับมันแล้วมันก็ทําได้แต่ปรากฏว่าหนูก็นึกหนูก็ยัง รู้สึกว่าอ้าก็ทําไมอ่ะก็ใจก็ไม่ได้เต้นนี่นาทําทไมปวดท้องอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็เลยแบบอ า, อาการปวดท้องอ จ, จะเกิดจากสาเหตุอย่างหนึ่งก็ได้อ่มใช่ไหมก็ไม่เป็นประเด็นประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่ใจเราไม่กลัวหรือเปล่า น, นี่มากกว่าถ้าทําใจให้เราไม่กลัวได้ก็โอเคอโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะอาจเราอาจจะปลุกเองว่าว่ามันปวดท้องอมันอาจจะปว ด, ปวดท้องด้วยสายเหตุอย่างหนึ่งก็ได้ โอเคค่ะอืแต่ที่ติด ท, ที่จะให้ทดสอบจริงๆก็คือต้องดูที่สภาพจิตตัวเอง<ช>ว่า น, น, นิ่งใช่แล้วนิ่งหรอือเปล่าไม่กลัวหรือเปล่าถ้านึ่งก็ใช้ได้อ๋อโอเคค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์น <c oughs> <c oughs> ี้เท่านี้ค่ะวันนี้โอเคได้ขอบพระ <ไป S 2> คุณมากสาธุจ้ะปที่คุณสาต่องคุณสามีคำถามมีคำถาม่ะกรับในมรสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดเก้าคำถามเจ้าค่ะ าสามคำถามแรกจากคุณเก่งกราบนรรส ก, การพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งนอกเหนือจากเวลานั่งสมาธิและฟังธรรมะผมจะนั่งนิ่งๆฟังเพลงบรรเลงช้าๆเบาๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆรู้สึกผ่อนคลายอยู่กับความสงบแต่ก็ไม่ได้พุโทโธปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกว่ามันเป็นการเสพความสุขทางเสียง มันจะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์ได้เวลาที่ต่อไปเวลาเราอยากจะฟังเมื่อไม่มีฟังเนี่ยเ็อย่าไปอาศัยของภายนอกมาทำให้เรามีความสุขอาศัยของที่เรามาอยู่ในตัวเราในใจเรากคือสติหรือปัญญามากล่อมใจให้ใจเราสงบจนดีกว่าคุณถามข้อที่สองในฝันถ้าฝันในสิ่งที่ไม่สมควรจะเป็นผิด จะเป็นบาปไหมครับเป็นมนโนกรรมไหมครับอ๋าไม่เป็นนะเพราะช่วงนั้มันเป็นเรื่องของวิบากคํามเป็นการแสดงถึงความคิดของเราที่เราเคยมาคิดแน่นิ่มันก็เลยโผล่ขึ้นมาในขนณะที่เรานอนหลับคุถามข้อที่สามการที่พระผิดศีลในเรื่องเดียวกับที่คาลวาะผิดศีลจะบาปเท่ากันไหมครับเท่ากัน คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอัจฉริยากราบนมัสการอยากเกษียณเร็วขึ้นเพื่อมาปฏิบัติธรรมโดยยอมปล่อยร่างกายเจ็บป่วยตามธรรมชาติไม่ได้เตรียมเงินไว้เพื่อลักสังเป็นการวางความคิดที่ถูกต้องไหมคะก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บและความตาย คำถามต่อไปจากคุณวิไลกราบนมัสการพระอาจารย์เรียนถามปัญหาการทําสมาธิจนร่างกายหายแต่รู้แปลว่าอะไรคะเราต้นานั้นจิตมันสงบมันก็เลยไม่รับรู้เงื้ยเราต่างต่ามันรู้อยู่กับมันรู้อยู่กับตัวมันเองเท่าแต่ว่าคำถามต่อไปจากคุณนิตยาสวดมนต์ยังฟุ้งค่ะ ฟุ้งเพราะว่าความห่วงค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าสวดมนต์จะสวดมนต์เสียงดังๆเพื่อข่มใจไม่ให้ฟุ้งค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเจ้าค่ะออถ้าส่วนยังฟุ้งอยู่ก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาเหตุที่ทำให้เราใจหลอกฟุง้งถ้าเราห่วงคนนั้นคนนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงวันเดียวก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาสอนใจด้วยปัญญา ถ้ายอมรับความจริงว่าคนที่เราไปโผม่ ย, นะยังไงนะด้วยเนีโผล่ยังไงเนี่ยที่สุดาก็ต้องตายอยู่ดีพอเราเห็นว่ายังไงเขาก็ต้องตายอยู่แล้วก็อาจจะระงับความโผความมิตกกังวลได้ใจก็จะหายฟุ้งได้คำถามต่อไปจากคุณชูชาลพระอาจารย์วิหารธรรมคืออะไรคะเครื่องอยู่ไงธรรมนี่เป็นเครื่องอยู่เช่นถ้าเราฝึกสมาธิเราก็ใช้สมาธิเป็นเครื่องอยู่ เวลาเราจะมีพรรมสมบัติที่พัจิบใจและใช้สมาธิบางคนก็ใช้การทำบุญทำทานเป็นเครื่องอยู่ก็มีทำบุญทำทานนั้นก็มีความสุขบางคนก็ใช้การรักษาศีนเป็นเครื่องอยู่เป็นบุวรเป็นพระเป็นจีเป็นดอนไปใช้สินเป็นเครื่องอยู่บางคนก็ใช้การภาวนาการปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างสมาธิเจริญปัญญามิปัสนา คนที่ไม่มีไม่มีชุกแล้วก็ก็กยังใช้เครื่องอยู่ได้อยู่พระพุทธเจ้าพระอาจรย์บางที่ทั้งก็นั่งสมาธิทั้งก็เดินโยมมีเครื่องอยู่คำถา ม, ถามต่อไปจากคุณพแพรรุง้งกราบนมัสการถ้าเราโดนคุณใสามาปิดของดีในจิตเราเราควรทําอย่างไรจึงจะหลุดพ้นคะไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่มีหรอกเร า, เร า, เราคิดไปเอง มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราดีด้วยชั่วก็คือบาปไม่บุญ่นั้นเองให้เราละมั่นระวังเรื่อบาปเท่านั้นก็พอเรื่องขุดสงบนสายไม่ต้องไปกังวลยับมันมันไม่สามารถทําอะไรกับจิตใจเราได้เพียงแต่จิตใจเราชอบทําทำร้ายจิตใจเราเองด้วยความหลงนั่นเองหลงไม่คิดว่าคุณสายมีจริงคป็ถามสุดท้ายจากคุณพีน้องพีอยากถามว่าคนที่ตายไปแล้ว ตอนกลางวันเป็นเทวดาตอนกลางคืนเป็นเปรตน้องอยากทราบว่าเขาทำกรรมอะไรมาครับเเป็นไม่ได้หรอกมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเปรตไม่ได้ถ้าเป็นเปรตก็เป็นเทวดาไม่ได้เพราะว่าบุญหรือบาปนี่มันจะมันจะมันจะแย่งกันทาหน้าที่ถ้าบุญมากกับบาปมันก็จะทาให้เป็นเทวดา ถ้าบาปมันมากกว่าบุญมันก็จะทําให้เป็นไปนแล้วมันจะไม่กลับไปกลับมามเป็นใดอย่างใดอย่างหนึน่งมจน ก, กระทั่งบุญเมื่อบาปมันหมดกําลังลงแล้วก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดแล้วสำหรับคืนนี้เพื่อขอให้ท่านจงนําำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ เาความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิด